ไม่ต้องก็ได้หรอเพราะมันมันไม่สะดวกที่ทำข้างวนนี้ใช่ค <Okay. S 1> ตอนนี้็ดีมันมีงานเยอะหน่อยก็เลยลงไปทำแต่ไม่ไ ม, ไม่ไม่นานเดี๋ยวก็ไม่มีละก็ไม่ได้ล <Okay. S 1> ูเป็นเป็นแค่เป็นอดีช่วงนี้ไอที่เทศเทสไว้แล้วเขาถอดมาให้นี่มันพี่ญาติอยู่มาทุกที่มามาฟังเทศนี่ก็ถอดมาสามการละ <Okay. S 1> เพื่อทำได้เล่นที่สิบบาทไปละ okay. ก็ยังเหลืออีกสองครั้ง้ขาย้ายมาห้าครั้งที่อเทมครับเอ็นโพสตไปในเว็บแล้วสองสองครั้งแล้วสามแล้วสามแล้วครับสามแล้วอ่าทีนี้ก็ตอนนี้เขากําลังทำการที่สี่การที่สองร้อยยี่สิบเก้าเราก็ค่อยทยอยส่งมาแล้วก็แล้วก็ทําเดี๋ยวพอมันเสร็จแล้วก็ไม่มีอะไรทํำก็ไม่ต้องลงไป คือหมายควาก็ถ้านอาจตรวจพูฟใช่ไหมฮ ะ, ฮะท่านตรวจพูฟใช่ไหมฮะเขาเขาถอดเทปออกมาไหมถอดออกมาแล้วเราก็ต้องอ่านใหม่แล้วก็ต้องมีการมันเวลาพูดกับเวลาอ่านมันไม่เหมือนกันครับก็มีการตัดมีตอบ้าง<อ>บ้างเพื่อให้มันอ่านแล้วมันเข้าใจงานขึ้นแล้วท่านอาจะอ่านจ า, จากหน้าจอแล้วก็แก้ที่หน้าจอเลยนะครับที่หน้าจอแก้ที่หน้าจอแล้วมันใช้เวลามากไงถ้าใช้ถาดนี่มันมันมันจะไม่พอ มันต้องมายุ่งเับเรื่องชาติแบบนี้ไม่งั้นก็มีอีกวิธีหนึ่งถ้าอาจารย์ติ้นออกมาแล้วมาตรวจผู้ก็เดินลงไปลมันก็มันก็ต้องมาเป็นต้องมาอะไรมันมันยุ่งยากอย่างนี้มันทําแล้วแก้่ตอนนั้นเสร็จตอนนั้นกเกษตบใส่แล้วก็พอถึงเวลาจะพิมพ์ก็ส่งไปลงพิมพินได้เลยแล้วก็ไม่ต้องมายุ่งกังวลกันเรื่องมาอากแบกเลยอักแบกกันเรื่องมากไงเราก็ใหญ่จะไหวไหมก็พอดีไม่เป็นไรเพราะว่าส่วนใหญ่ พอคืนแล้วก็ไม่มีเราก็เป็นแค่คราวว่าเป็นเวลาของเรารถ้าตั้งวันนี้ทำมันก็เดี๋ยวญาติโยมมันไม่สะดวกเมื่อก่อนนี้ก็เคยไปที่โรงพยาบาลทำไปแค่อทิษย์ละสองวันไปบางทีก็ไม่ค่อยได้ทำคนเดี๋ยวก็ไปไปตามที่นั่น <c oughs> อะไรไม่ได้ทำไปเองม่ต้องคุยกับก็เลยก็ดีระยะหลังนี้ ที่โรงพยาบาลคนที่เขาให้ใช้ห้องเขาเขาย้ายไปเลยต้องคืนห้องให้กับคนที่เข้ามาใหม่ก็เลยพอดีพระท่านมีห้องว่างอยู่ที่ใต้ถุนตาหนักคุณเด็จพระสังฆราชมีห้องว่างที่ห้องให้กับเวลาสมเด็จท่านมาจะมีพระติดตามมาใช้เป็นห้องพักเมื่หลังที้สมเด็จท่านไม่ได้มาก็เลยก็เลยเอาไปตั้งไว้ที่นันดาแล้วก็ไปทําตอนเย็นตานคืน บางทีก็ไม่ได้ขึ้นมาหรอกเพราะมันเด็กสามสี่เทิมแล้วก็นอนแนะนำให้ตื่นตีสามก็ทําต่อถึงเวลาไปบินสบายก็มันก็ได้งานได้การหน่อยอะไรทำได้ที่ต้องย้ายออกอีกเพราะว่าได้ข่าวสำเร็จท่านจะมาวันที่แปดเดือนหนนะ้าเพราะที่วัดเขาจัดงานประจําปีงานถวายสังฆทานเพื่อแผน่นเพื่อทําบุญเพื่อแผ่นดินไทยทิพย์บุญกุศลให้กับ ผู้ทีอ่อะไรผู้ที่รักษาแผนดินไทยมาก็เป็นมิมนุ์พระเก้าร้อยเก้าสิบเก้ารูปมารับสังฆทานเรื่องสมเด็จพระสังฆราชท่านก็เป็นประทานรดยมารับมาถวายทุกปีปีที่แล้วรู้สึกท่านก็มาแต่ท่านมาไม่ค่อยไหวแต่นั่งนั่งรู้สึกจะนั่งนั่งนั่งรถเข็นมา ทีนี้ท่านก็มาเขาเลยบอกว่าท่านขึ้นขึ้นห้องบนไม่ไหวธรรมดาท่านจะประทับอยู่บนชั้นบน อ, อไม่ไหมถึงที่ที่ตำหนักท่านเนี่ยแล้วห้องข้างล่างให้ลูกสิษอยู่ทีนี้เขา้องห้องจะให้ท่านประทับข้างล่างพวกของที่เราใช้เก็บไว้ที่ไปตั้งไว้ในห้องนั้นก็เลยต้องย้าย <c oughs> แต่ก็ย้ายชั่วคราวเองแค่วันเดียวเท่านั้นเองวันที่แปดเลยครับ คือโดยปกติเขาจะถวายวันที่วันอาทิตย์ที่สองของของเดือนมกราปีนี้มันตรงกับวันอาทิตย์ที่แปดเพราะว่าเป็นเป็นงานที่ตั้งแต่เขาเริ่มสร้างวัดมาเขาก็จัดมาเป็นการที่ว่าเขามีงานอย่างนี้อยู่สองสองครั้งวันวันวันที่พูดถึงนี้วันที่แมกรา แล้วก็วันสงการวันสงการก็ถวายนิมนต์พระมาห้าร้อยกว่ารูปห้าร้อยบวกกับเบอร์ของปีที่ปีนั้นปีสี่แปดก็บวกอีกสี่สิบแปดสงการปีที่ผ่านมานี้ก็ห้าร้อยสี่สิบแปดรูปแล้วเดี๋ยวปีหน้าก็ห้าร้อยสิบก้า็นิมนต์พระในจังหวัดชนบรุรีกับจังหวัดใกล้เคยียงแล้วแต่จะนิมนต์มาได้ แต่ตั้งแต่เรามาอยู่นี่เราเคยลงไปไปครั้งเดียวเท่านั้นเองล้วก็พราะเราว่ามันไม่ใช่จิตของเราเห็นฟังในซีดีถ้าจากประเทศบนของการด้วเมอกันนะช่วงมีอ๋อก็มันก็บางสงการก็มีคนมาทำบุญก็พูดตอนเช้าตอนเช้าก็เป็นปกติก็พูดประมาณครึ่งชั่วโมงก่อนฉัน แล้วถาวันไหนที่เป็นวันหยุดวันนักขัดพันเลอรวันเสวันาทิตย์กันพรนี้มีคนมาทำบุญมากกว่าปกติก็ก็พูดธรรมะให้เขาได้อะไรกลับไปบ้างคือเมื่อก่อนนี้ไม่มีพระกบเทศกันที่นี่ก็ถ้าที่ท่านมาอยู่เป็นท่าผู้ใหญ่ส่วนให ญ, ญ่ท่านไม่ค่อยนัดการเทศกันท่านจะเป็นนักธุรการอย่างมากกว่าเมื่อก่อนนี้สองเจ้าคุณ มาจากวัดโบราท่านก็จะมาดูแลเกี่ยวกับงานก่อสร้างมากกว่าท่านไม่ไม่ถนัดทางด้านเพหรือทางด้านชั้นในบาบทอะไรพวกนี้ยท่านอยู่วัดโบราท่านก็ชั้นชั้นเพนชั้นช้าวชั้นไม่ได้ชั้นในบาทเววนี่ยเราพอมามามาทํางานที่นี่ท่านก็ทําไม่ได้ท่านจะมาชั้นเมื่อเดียวชั้นในบาทท่านบอกท่านท่าน ท, ทาไม่ได้ ท่านก็เลยขอตัวไม่ได้ไม่ได้ลงมาเป็นหัวหน้าดังั้นเวลาการขบถานิศาลานี้ถึงไม่ค่อยมีพระหัวหน้ามาเป็นหัวหน้าให้หรือก็มีพระพระธรรมดาที่เป็นพระลองลงมาแล้วก็อาตมาก็ใส่ก็ยอยู่มานา น, านยังกระทั่งค่อยๆขยับตําแหน่งขึ้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งกลามาอยู่หัวแถว <laughs> ก็เลยก็เลยลองลองลองลองพูดดูตอนต้นก็พูดไม่ค่อยเป็นเพราะไม่ค่อยได้พูดมาพอมาเริ่มพูดจะมาปีสามเก้าเนี่ยก็พูดมาได้ประมาณเก้าปีใหม่ๆก็ประมาเพราะไม่นู้กลัวกลัวเดี๋ยวพูดไปเรื่มันไม่รู้จะพูดอจไรเราจานจ่ ทางคนคนฟังก็ตั้งใจจะฟังคนพูดก็ตั้งใจจะพูดแต่แต่ไม่มีอะไรออกก็จะจะเท่ไปทางแนวปริยัติก่อนคือพยายามจำไว้ว่าวันนี้จะพูดอบบมักแตะก็ช่องไว้ว่ามักแปะมีอะไรบ้างสมาธิถือสมาสังคโปรแล้วก็อาศัยแนวปริยัตใส่พูดไปแล้วก็ขยายความไปถ้าอ่านหนังสือช่วงแรกๆจะเห็นว่ามันเกี่ยวกับโลกปริยัตมากใช่ มักแปดอริยาาสัจสี่ไม่ปมวิหารสีอะไรนะเนี้ยก็ใส่แนวนี้ไปแล้วพอต่อมาก็ลองลองไม่คิดไม่ตั้งใจว่าจะพูดอะไรก็พูดไปเลยมีอะไรก็มาก็พูดไปคือรู้สึกว่าเวลาพูดแบบนั้นมันเป็นธรรมชาติกว่าเพราะเวลาเราจะพูดจาบตอนระยะนี้บางทีมันมันคล้ายๆว่าเราบังคับให้มันอยู่ในกรอบ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 พูดไปก็อธิบายข ย, ยายความไปมีอะไรที่เราพอจะยกตัวอย่างได้ก็ยกตัวอย่างไปก็การฟังเทศน์นี่ถ้าเราเอาเนื้อเนื้อเอาแต่ชื่อมาเช่นสัมมาทิฏฐิเนี่ยมันบางทีคนฟังมันไม่เข้าใจคนพูดอาจจะเข้าใจสัมมาทิฏฐิว่าเป็นยังไงแต่คนฟังนี่อาจจะฟังไม่เข้าใจต้องขยายความว่าเป็นอย่างไร ถ้าพูดเป็นในทางปริยัติก็จะไปพูดไปที่ตัวอักษรตัวหนังสือเช่นสัมมาแปลว่าความถูกต้องทิฏฐิคือความเห็นถูกต้องอย่างไรก็อธิบายไปถูกต้องตามความเป็นจริงตามจริงยกตัวอย่างสุนัข ก, ก็ต้องว่าเป็นสุนัขแมวก็ต้องว่าเป็นแมวเป็นเรวต้องกับความเป็นจริง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 ที่มันอยู่ในขวดเดียวกันตัวจิตตัวน้าก็เลยเป็นเหมือนรูปรูปขวดไปแต่คําจริงตัวตัวน้ํามันไม่ใช่เป็นขวดแต่ถ้าเอาไปใส่ขวดกลมๆมันก็คิดว่าจิตเป็นตัวกลมๆถ้าเอาไปใส่ขวดเหลี่ยมก็คิดว่าจิตเป็นตัวเหลี่ยมเราก็เหมือนกันเรามาเกิดเป็นมนุษย์เราก็คิดว่าเราเป็นมนุษย์มีรูปร่างอาการฐานสิบสองถ้าเราไปเกิดเป็นแมวเราก็คิดว่าเราเป็นแมวมีรูปร่างเป็นแมว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 ดังนั้นมันต้องการร่างกายนี้เพื่อที่จะได้ไปนํำไปสิ่งที่มันต้องการมาจิเลสก็ต้องการรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะที่เรียกว่ากามคุณที่เรามาเกิดในโลกนี้ก็เพราะว่ากามตัคฐานะมาเพราะจิตยังมีความผูกพันอยู่กับรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะจะเป็นส่วนหยาบหรือส่วนละเอียดก็เช่นกันถ้าเป็นส่วนหยาบก็ต้องมีร่างกาย เป็นร่างกายของมนุษย์หร<ด>ือร่างกายของสัตว์เดรัจฉานเป็นเป็นเครื่องมือเหมือนกับกล้องถ่ายรูปเราอยากจะมีรูปไว้เป็นที่เราเลึกเราก็ต้องมีกล้องถ่ายรูปและเราอยากจะมีเสียงไว้ฟังเป็นที่เราเลึกเราก็ต้องมีเครื่องอัดเสียงจิตก็เช่นเดียวกันถ้าจิตอยากจะเห็นรูปเสียงกินรสโถมถ้าพระก็ต้องมีร่างกายร่างของมนุษย์ร่างของเดรัจฉาน ก็ขึ้นอยู่กับบุญกับกรรมได้ร่างของมนุษย์เพราพระว่าได้รักษาศีลมาได้ทําบุญทําทานรักษาศีลมาก็ได้ร่างของมนุษย์ถ้าไม่ได้รักษาศีลเช่นทําแต่ทานอย่างเดียวไม่รักษาศีลก็จะไปเกิดเป็นสารเดรัจฉานแต่เป็นเดรัจฉานที่สมบูรณ์ด้วยพวกทรัพย์คือมีรูปร่างสวยงามเวลาเป็นมีรูปร่างสวยงามใครเห็นใครก็อยากจะเอาไปเลี้ยง เช่นสุนักที่เราไปชื่อมาตัวัแพงตัวหลายพันบาทเพราะมันมีรูปร่างที่สวยงามสุนักตัวนั้นถ้าพูดเปรียบเทียบทางหลักธรรมะก็หมายถึงว่าเขาเคยทำทานมาแต่เขาไม่เคยรักษาศีลอันนี้สองของการให้ทานท่านก็แสดงไว้ว่าจะทำให้เรามีโภคกระทั์สมบูร์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 ถ้าอยากจะเกิดกลับมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วอยู่บนกองเงินกองทองมีรูปร่างหน้าตาสวยงามรูพันณผองใสก็ต้องรักษาศีลด้วยแล้วก็ทำทานด้วยหรือไปเป็นเทวดาอย่างนี้เป็นต้นก็เกิดจากการทำทานกับการรักษาศีลเป็นหลักนี่เป็นเรื่องของจิตที่ยังมาเกิดใน<ม>ในภพของการมาพบอยู่<ม>การมาพบก็อย่างที่เคย เราให้คังมีส่วนที่เรียกว่าเป็นส่วนที่มีความสุขมากกว่าความทุกข์คือโลกของมนุษย์เทศเวลาแล้วก็ส่วนที่มีความทุกข์มากกว่าความสุขก็คือโลกของอบายของลาาโลกตันเนลฉานพวกที่ต้องไปตกนรกละละโตรงนี้จะมีจิตจะมีความรุ่มร้อนมีความทุกข์มากกว่ามีความสุข ที่ทําให้มีความรุ่มร้อนมีความทุกข์มากกเพราะไม่รักษาศีลนห้ามนี่เองทำอะไรทําผิดศิ้นอยู่เรื่อยๆก็เลยต้องไปเกิดในอบายทั้งสี่สาเหตุที่ทําให้ไปตัง้งตนก็ขึ้นอยู่กับเหตุที่เราทําผิดศิ้นเพราะอะไรตั้งแสดงไว้ว่าถ้าผิดศิ้นเพราะความไม่รู้คือความหลงไม่รู้ว่าการการกา ร, การทําผิดสิ้นนี่เป็นบาปเป็นกรรม ือทำไปได้วยความจำเป็น mm hmm. เช่นต้องทามา mm hmm. กินเล่ง้งปากเลี้ยงทอง mm hmm. ก็ไปยิงน็อกตกปลา mm hmm. ไปเป็นนายพลเป็นคนชาวประมงอย่างนี้เขาก็ไม่คิดว่าเป็นเป็นเรื่องเสียหายอะไรก็มันเป็นเรื่องจาเป็นเขาไม่รู้ว่าเมื่อเขาตายไปแล้วเขาจะต้องไปเกิดเป็นเดชานเพราะความไม่รู้ทำให้ทำให้ผิดศีนด้วยความไม่รู้ไป อีกพวกหนึ่งที่ไปเกิดเป็นเปรตนี่เป็นพวกที่ทำเพราะไม่ใช่เพราะความจําเป็นคือพอกินพอใช้แต่ทำเพราะความโลภอยากจะมีมากๆอยากจะร่ำรวยมากๆก็เลยโคดโกงตากด้วยวิธีต่างๆนานาตรงนี้ถ้าว่าตายไปก็ต้องไปเป็นเปรตเพราะพวกนี้มันได้เท่าไหร่ก็ไม่รู้จักพอได้กี่ร้อยล้านกี่พันล้านมันก็ไม่พอท่านถึงเปรียบเหมือนกับ เปรตที่มีปากเท่าลูเข็มมีท้องเท่ากับทะเลหรือหมาสามตุวกินเข้าไปเท่าไหร่ก็รู้สึกว่ามันไม่อิ่มทักทีมันไม่เต็มท้องทังทีก็เพราะมันนี่เพราะความโลภพาไปความโลภนี่ไม่มีคำว่าไม่มีขอบไม่มีเขตไม่มีคาว่าพอความอยากได้เท่าไหร่ก็ไม่รู้จักพออยากจะได้เรื่อยๆ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 แต่ถ้าไม่ไปทําผิดศีลก็ไม่ต้องไปเกิดเป็นเปรตก็ยังกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ได้แต่จะกลับมาเล้ารวยกับเก่าหรือไม่ก็ขึ้นอยู่ว่าทําบุญมากน้อยเพียงไรถ้าไม่สมนใจในเรื่องทําบุญเลยยากหน้ากลับมาเป็นมนุษย์อาจจะจนตกเก่าไปได้แต่ถ้าทําบุญอยู่เรื่อยๆก็จะสะสมบารมีทานบารมีไปเรื่อยๆก็จะเกิด รวยกว่าเกา่าดีกว่าเกา่าอย่างพระพุทธเจ้าที่ท่านบำเพ็ญทานบามีมาแต่ละภพแต่ละชาติก็ส่งให้ท่านได้เกิดในแต่ละภพในแต่ละชาติที่ร่ด้วยเป็นลูกของกรรษัต ร, ร, ริย์บ้างเป็นกษัตริย์บ้างเป็นเศรษฐีบ้างก็เพราะอํานาจของฐานบาลีที่ได้ทำมาเองส่วนพวกที่ทําทําผิดศีลด้วยความกลัวท่านก็บอกว่าเป็นพวกกระสุนลกาย ขอวัสุลกายนี่เป็นพวกที่มีแต่ความหวาดกลัวหวาดวิตกมีแต่ความกังวลกลัวจะอดยาขาดแคลนกลัวจะยากกลัวจะลำบากก็เลยต้องไปรักไปขโมยมาเพื่อที่จะได้เผื่อไว้ก่อนทั้งที่ในปัจจุบันมันก็พอมีพอกินพอใช้ยอยู่แต่ห่วงนูน่นห่วงนี่เกินเหตุเกินผลแต่ไม่ยอไมไม่กล้าสู้กับความยากความลาบาก ความยากความลำบากนี่มันไม่สุดวิจัยของจิตเราที่จะสู้กับมันเพราะว่าในชีวิตของคนเราเกิดมาในที่สุดเราก็ต้องเจอความยากลํำบากคือความแก่ความเจ็บความตายนี่แหละทุกคนดงั้นความยากความลําบากนี่จึงไม่ควรเป็นเหตุที่ทําให้ถักดันให้เราไปทําการผิดศีลผิดธรรมเราสามารถตั้งอยู่ในศีลในธรรมได้อย่างที่พระพุทธเจ้าทรงสอนว่าให้สละทรัพย์เพื่อรักษาอวัยวะ ให้สละอวาัายวะเพื่อรักษาชีวิตและให้สละชีวิตเพื่อรักษาธรรมธรรมก็คือศีลธรรมนี่เป็เป็นต้นเนี่ยถ้าระหว่างกการที่จะต้องรักษาคือต้องฆ่าเขาหรือให้เขาฆ่าเราตั้ง่ว่าให้เขาฆ่าเราดีกว่าคือถ้าเปรียบเทียบคือมันต้องตายด้วยกันทั้งคู่เนี่ยแต่ถ้าเราฆ่าเขาเราผิดศีลเราตายไปแล้วก็ต้องไปเป็นเดชะนฉ่นเพราเรารักษาชีวิตของเราเราไม่ได้ฆ่าเพราะความกลัว ควโกรธหรือความโลภแต่เราฆ่าพวกเราอยากอยากจะอยู่เราจะรักษาชีวิตของเราเหมือนกับที่เป็นนายพรานไปยิงไปยิงจ่าเพื่อเอามาเลี้ยงหลอง่อเลงชีวิตขเขาในลักษณะเดียวกันก็ต้องไปเมื่อตายันแล้วก็ต้องไปเกิดที่ต่ำแต่ถ้าเรายอมไม่เข้าข้าเราเราตายไปเราไปเกิดที่สูงว่าเราไม่ผิดศีล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 เป็นอย่างนั้นแล้วเมื่อเราต้องมาเลือกระหว่างการที่จะจ่จะเจ็บจะตายด้วยการมีสี้นด้วยการไม่มีสียนก็ให้เลือกเอาวิธีที่มีสียนดีกว่าเพราะไม่ขาดทุนคือพบหน้าจ้าวหน้ามันดีกว่าเก่าหรืออาจจะดีทั้งในชาตินี้ก็ได้จิตใจมันมันฟงได้มันตับได้มันเห็นความเป็นอนิจจังเห็นปายรักเห็นอนิจจทุกขั ง, ขงนาาัตา มันก็จะไม่ไม่ทุกข์กับเรื่องความแก่ความเจ็บความตายแล้วก็ไม่ต้องไปทำบาปทากรรมนนี้คือเรื่องของกรรมที่พวกเราทุกวันนี้ทํากันอยู่เพราะสัมมาทิฏฐิหรือมิจฉาทิฏฐิคนเราส่วนใหญ่พวกเราถึงแม้จะได้ยินได้ฟังธรรมะอยู่ตลอดเวลาคําว่าสัมมาทิฏฐิแต่พอมาใช้จริงๆริมันก็ยังไม่เข้าไม่เข้าล็อก ไม่เหมืนอย่างที่วันนี้อธิบายฟังไม่มด้อย่างที่ท่านบอกให้ชะละชีวิตเพื่อรักษาธรรมเราก็คงจะฟังแล้วบอโอ้ถึงขนาดนั้นนลนะพี่กรณรู้สึกว่าเราควรจะป้องกันต ja ัวเองได้นะว่ารักษาชีวิตตัวเองป้องกันไว้ก็ป้องกันตัวอะไรอย่างนี้ือโดยปกติมันก็ต้องดูแลรักษาชีวิตของเราเจ็บไข้ได้ป่วยก็ไปหาหมอ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 แล้วขพยายามหางานหาาหาการงาทำไปคงจะไม่ไม่ไม่ไม่สิ้นหวังไม่สิ้นทางหรอกถ้าคนเรามีความพยายามมีความต่อสู้ที่จะหามาด้วยความสุจริตเดินไปข้างถนนมันก็ถ้ามีปัญญามันก็เห็นเงินเห็นทองเต็มไปหมดเลยเกตขยะที่คนเนี่ยอตาตมาเดินลงไปทั้งวันเนี่ยเห็นเห็นขวดเปล่า กระป๋องฝ่าลข้าวของอะไรที่วันีเงินก็มีเศษเงินก็มีหล่นอยู่ตามทา ง, ทางถ้าเราถ้าเราจิตใจมุ่งมั่นในการรักษาสิ่งแล้นมันรักษาได้แต่ถ้าคนที่ไม่อยากจะรักษาสิ่งนี้มันก็จะบอกว่ามันยากนี่ก็เลยกรณีที่มีมีโจรจะมาทําร้ายเราอย่าเงี้ยนะะเราก็ต่อสู้เพื่อที่จะปกป้องชีวิตเรา เรเผยจะไปฆ่าเขาอันนี้คือสิ่งที่เราต้องเพราะจิตเราธรรมารที่ติดเรายังอยู่ในขั้นที่ต่ำไงแต่ถ้าเป็นพระอริยท่านก็อาจจะคิดว่าเราเคยไปทําอะไรเขามาก่อนอเราเคยไปขโมยเขามาก่อนเขาก็จะมามากรรมมันมา ม, มามาม า, ม า, มาทวงคืนเหมือนพระโมกลาพระที่ท่านบอกว่าท่านมีฤทธิ์แต่ท่านไม่ใช้ฤทธิ์เพื่อที่จะ หนีจากการที่จะต้องทำลายชีวิตเพราะท่านบอกว่าเคยเคยไปทำลายชีวิตเขามาก่อนเขาก็ต้องมาตามหนีเขาวันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้เขาก็ตามมาอีกรรมนีไม่คนนี้เมื่อจิตใจของท่านไม่ได้มีความอะไรอาวรไม่มีความถูกพันกับชีวิตแล้วเพราะใจของท่านอยู่ได้โดยไม่มีชีวิตเพราะเวลาท่านเข้าสมาธิท่านทำจิตให้สงบ ท่านก็ไม่ได้อาศัยร่างกายนี้ไว้ทําอะไรร่างกายนี้เอาไว้ใช้รับใช้พวกเรามากกว่านำมาสั่งสอนมาเทศนาว่าล่าวสั่งสอนแต่จิตของท่านไม่ต้องอาศัยร่างกายนี้มาให้ความสุขกับท่านอีกต่อไปอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงอยู่ถึง 45, สี่สิบห้าพรรษาก็เพื่อพวกเราเท่านั้นเพื่อ<ม>ที่จะได้เผยแผ่ธรรมะให้พูุกทุกข์ศาสนาได้จเจริญยุ่งเรียนมาจนถึงปัจจุบันนี้ ก็การเสียสะละของพระพุทธเจ้าถ้าทรงตัดสินใจว่าไม่สั่งสอนตั้งแต่วันที่ท่านเกิอบจบตรงแนละ้วที่ว่าถอนไปก็ลำบากลำบุงคนฟังก็ไม่เข้าใจเพื่อจะหาว่าบ้าหรือเปล่าสอนให้ทำอะไรอย่างนี้สอนให้สะหละชีวิตเพื่อรักษาศีลธรรมแต่หลังจากที่มีท้างมหาคมมาอาราธนาให้ไปโปรด อพิจารณาว่ามีคนที่เชื่อก็มีคนที่ไม่เชื่อก็มีคนดีก็มีคนที่ไม่ดีก็มีหลังจากที่ได้พิจารณาก็ทรงเห็นว่าคนเราก็มีเป็นพวกบัวสีเหลาพวกที่หูโหนวกตาบอร์ดแบบที่ไม่มีโอกาสที่จะเห็น <c oughs> เห็นเดือน <c oughs> เห็นตะวันก็มีพวกนั้นก็ปล่อยเข้าไปเอาพวกที่เขาจะ ก, กี้ตะกา ย, สายสแสวงหาการหลุดพ้นอยู่ เช่นพระปัญเจพระปัญจวัคคีที่ตรงติดตามพระพาาุทธเจ้าก็มีความใฝ่ศาสนาที่อยากจะหลุดพ้นจากความผิดก็เลยทำให้ตรงมีกำลังใจที่จะประกาศสอนพระศาสนาอย่างแต่ว่าจะเน้นไปที่คนที่มีความรู้ความสามารถที่จะรับได้โดยเฉพาะคนที่รู้เร็ว ว่าสอนพวกนี้แล้วเขาจะได้มาช่วยท่านสอนอีกต่อนี่งถ้าไปสอนคนที่ตั้งผู้ําที่ย่ำชัยวรนละสิบครั้งแล้วต้องสอนไปอีกสิบปีกว่าจะเข้าใจนี่นึงเสีเวลามากสอนพวกที่ฉลาดสแสดงทำเพียงครั้งสองครั้งก็บรรลุเป็นพระอรหันต์กันแล้วย่างพ่อปัญจาว่าคียนี้สแสดงทำครั้งแรกก็มีท่านอัญญาณคงสัญญาก็มีดวงตาเห็นธรรมบรรลุเป็นพระโสดาบันขึ้นมาสแสดงไปอีกไม่นาน ก็บรรลุเป็นพระอารามขึ้นมามีพระหัพระอารามปรากฏขึ้นมาหรลูกคือพระพุทธเจ้าแล้วก็พระปัญจลคือแล้วพอไปแสดงให้กับนักบวชสำนักอื่นแสดงทันทีให้ทั้งทั้งวัดเลยทั้งห้าร้อยลูกก็บรรลุทีเดียวห้าร้อยลูปเลยเพราะนักบวชส่วนใหญ่ในสมัยนั้นเขาก็มีทานมีศีลมีสมาธิอยู่แล้ว แต่สิ่งที่เขาไม่มีก็ไม่มีได้มีได้เพียงคนเดียวก็คือรู้ได้เพียงคนเดียวคือคือโลกุตระธรรมหรือที่เรียกว่าปัญญาที่พัสนาปัญญาคือต า, ายรเนี่ยรู้เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาโดยเฉพาะอนัตตาอ น, นิจจังทุกขังนี้ก็พอจะเห็นกันอ น, นิจจังคนเราทุกคนเกิดมาก็เห็นว่ามีแก่เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันก็รู้ว่ามันเป็นความทุกข์ด้วยกันแต่ไม่รู้อนัตตาใช่ไหม พวกเราไม่รู้ว่าร่างกายนี้มันไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวตนหลวงนักบวชสมัยนั้นเขาก็ไม่รู้เหมือนกันพระพุทธเจ้าก็ไม่รู้เหมือนกันตอนตอน้ตนตอนต้นไปศึกษาที่สำนักต่กางๆ ก, ก็ไม่มีใครสอนเรื่องอนาตตาตัวอำนาตตาตัวนี้เป็นตัวที่ทําให้หลุดพ้นจากการยึดติดในร่างกายในเมื่อเรารู้ว่าไม่ใช่เป็นของของเราแล้วเราไ ป, ไปไปไปเป้าไปรักษาไว้ทําไมเนะี่ยคนก้าเงินมาฝาเราแล้วเราก็โง่ไปรักษาให้เขาเนี่ย เดีวถึงเวลาเขาก็มาเอาไปนี่เราก็เหนื่อยอุส่าดูแลรักษาไม่กล้าไปไหนคอยเฝ้าคอยอะไรพอถึงเวลาเจ้าของเขก็มาเอาไปเราก็เหนื่อยเราก็ทุกข์ไปกับมันเอาเปล่าร่างกายนี้ก็เหมือนกัน <S <S <ๆ>เดียวพอถึงเวลาเจ้าของเขก็มาเาคลืนไป <S <S <ๆ>คือดินน้ำเงินไปเขาก็มาเรียกคืนไปกลับไปสู่น้ำกลับไปจู่ลมกลับไปสู่ดินกลับไปสู่ไฟน ะ, ะร่างกายนี้ มาถึงเวลาเขาก็มาเอาไปแล้วจะมาเอาเวลาไหนเขาก็ไม่บอกด้วยบางทีให้รออยู่สักสิบปีเขาก็มาเอาไปแล้วบางทีก็อยู่กับเราถึงแปดสิบเก้าสิบปีเขาก็เอาไปแต่ในที่สุดเขาก็เอาไปเราก็เห็นเห็นกันอยู่เราก็ยังไม่เห็นว่ามันไม่ใช่ของเราเราก็ยังคิดว่าเราตายอยู่นั่นแหละพอพอแก่พอเจ็บพอตายพอคิดถึงมันมันยังไม่ทันแกไม่ทันเจ็บไม่งันตายมันก็ทุกข์แะ เพรความหลงความห ล, ลงว่ามันเป็นเราเป็นของของเราเค ย, ยกตัวอย่างว่าเวลาสมมุติใครเกิดเกิดค้อลูกคนหนาที่โรงพยาบาลแล้วพยาบาลเขาสลับลูกเอาลูกของคนอื่นมาให้แล้วก็เอาไปเลี้ยงแล้วก็ไม่รู้เป็นลูกเราแล้วก็เลี้ยงมันอย่างดีรักมันอย่างดีพอวันดีคืนดีก็เอาหลักฐานมาสแสดงว่านี่ไม่ใช่ลูกของคุณเนี่ยรักเลี้ยงไม่ลงนะเลี้ยงไม่ลงนะเพราะความหลง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 รูปก็มาจากดินน้ำหรือไฟที่เป็นอาการสามจุสองเวทนาสัญญาสังขารวิ ญ, ญญาณก็อาศัยร่างกายนี้เป็นเป็นตัวทำให้เกิดขึ้นมาเช่นเห็นรูปก็เกิดมีมีวิ ญ, ญญาณไปรับทราเรบเวลาตาสัมผัสกับรูปก็มีจักขุวิ ญ, ญญาณปรากฏขึ้นมาในจิตตัวรับดูรูปตัวรับรูเสียงก็ตัวตะวิ ญ, ญญาณ อันนี้มันก็เกิดดับเกิดดับตามเหตุตามปัจจัยถ้าหลับตารับไอ้จักรูกิญ ญ, ญาณก็ไม่มีแลนะรับไม่ได้เพราะไม่มีภาพไ ม, ไม่มีไม่มีการสัมผัสของรูปกับของตาถ้าปิดหูเสียงเสียงเข้ามาในหูไม่ได้ไอ้วิญญาณที่จะรับรู้เรื่องเสียงมันก็ไม่ปรากฏขึ้นมาพวงนี้มันก็อยู่ในจิตตัววิญญาณนี้มันเป็นเป็นอาการของจิตทําหน้าที่รับรู้ รูปเสียงกยลิ่นรสโผดครับรับรู้แล้วพอพอเสียงนั้นหายไปความรับรู้มันเกี่ยวกับเสียงนั้นมันก็หายไปท่ัน้าจาร่าบมีแต่เพราะจิตอย่างเดียวนี่<พ>มันไม่ทราบใช่ไหมครับจึง ต, ต้องมีตัวก็เวลาจิตมันรวมตัวลงสงบมันก็เหมือนกับไม่มีอะไรเหลืออยู่ในในจิตเลยตรง น, นี้เหมือนที่ท่านอธิบายให้เมตตฟังว่าการคือรู้เฉย ใช่ไม่ได้ยังต้องให้รู้ลงไปในใช่แต่รักเข้ามาใช่ไหมอันนี้คือตอนที่ฝึกให้รู้เบื้องต้นเพียอการฝึกสติเนี่ยคืให้จิตเกาะอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่ให้มันลอยไปลอยมาไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้มันมีสติไว้สตินี้เป็นตัวเหมือนกับเป็นตัวบังคับให้จิตทำตามคําสั่งของเราถ้าเราไม่มีสติเราจะาไม่สามารถสั่งให้จิตให้เกาะอยู่กับเรื่องนั้นเกาะอยู่กับเรื่องนี้ได้ เพราเราจะให้มันคิดเรื่องนี้เดี๋ยวมีเรื่องอื่นเข้ามามันก็มาดึงไปละทําห้แต่ถ้าเรามีสติที่แข็งที่กล้าเนี่ยมันจะไม่มีเรื่องอะไรเข้ามาอย่างไรมันก็ไม่สามารถที่จะมาทําลายสมาธิของเราที่เราอยู่กับเรื่องนั้นสิ่งนั้นได้ดงั้นในเบื้องต้นก็ต้องฝึกสติก่อนให้รู้อยู่กับอาการ ร่างกายของเราเช่นเวลาเราเคลื่อนไหวในอิริยาบถสีหรือเราทําอะไรก็ให้รู้อยู่กับาการกระทํำนั้นเป็นการฝึกพัฒนาสติที่เรียกว่ากติปัฐานกติปัฐานนี้ก็มีมีอยู่สี่จุดด้วยกันที่เราสามารถเป็นที่ตั้งของสติได้กายเวทนากายเวทนาจิตธรรมขึ้นอยู่กับว่าเราจะถนัดในในส่วนไหน ถ้าเราถนาาัดกับกายก็ให้มีสติรู้อยู่กับกายถ้าเราถนัดกับเวทนาก็ให้รู้อยู่กับเวทนาเวลาเกิดสุขก็รู้ว่าสุขเวลาเกิดทุกข์ก็รู้ว่าทุกข์เวลาไม่สุขไม่ทุกข์ก็รู้ว่าไม่สุขไม่ทุกข์แต่ไม่ไปพยายามที่จะไปควบคุมบังคับมันเพียงแต่ให้รู้ว่ามันเป็นอย่างนั้นรู้ว่ามันเกิดขึ้นอยู่แล้วตั้งอยู่แล้วเดี๋ยวก็ดับไปมันเป็นอนิจจังเป็นทุกขังอนัตตามันไม่ใช่เป็นเราเป็นของของเรา เหมืนเสียงนกที่เราฟังเนี่ยก็รู้ว่ามันเสียงนกตอนนี้หายไปละก็รู้ว่ามันหายไปอ่มันมาก็รู้ว่ามันมาแต่ไม่ไปอยากให้มันหายไปหไม่อยากจะให้มันร้องไปตลอดเวลารู้ตามความเป็นจริงแล้วก็รู้ว่ามันเป็นเสียงที่เราไม่ควรไปยึดไปติดแต่เราไปยึดไปติดว่ามันเสียงสวยเสียงน่าฟังไพเราะเดีย๋ยวถ้ามันหยุดก็รู้สึกว่ามันครับหายไปละความถูกความสุขที่ได้จาก การได้ยินเสียงนั้นก็หายไปก็เกิดความอยากอยากสร้างนี่ถึงต้งองไปสร้างไอ้เครื่องอัดเสียงกันมาไว้เพื่อเอามาฟังเรื่อยๆฟองบ่อยๆพอฟังบ่อยๆก็มันก็เบื่ออีกเพราะว่าของในโลกนี้มันไม่ให้ความสุขกับเราอย่างแท้จริงเราไปหลงยินดีกับมันมันเลยทําให้มันเกิดความสุขขึ้นมาถ้าเราไม่ไปหลงมันก็เป็นของกลางๆมันไม่ใช่เป็นสิ่งที่เป็นสุขหรือเป็นทุกข์ ใ จ, ใจเราเมื่อไปเกิดความหลงขึ้นมาไปยินดีปับสิ่งใดก็อยากจะได้อยู่กับสิ่งนั้นนานๆถ้าสิ่งนั้นเกิดจากไปก็เกิดความเสีย อ, อกเสียใจขึ้นมาเช่นเราเห็นลูกใครสักค น, น, น <c oughs> เช่นสามีเราภรรยาเราเราก็อยากเราชอบคนนี้เราก็อยากจะอยู่กับเขาไปเรื่อยๆถ้าเกิดเขาหายไปเราก็เสียใจแล้วก็ทุกข์ใจแต่ถ้าเมื่อถ้าเราไม่เคยเจอเข้ามาก่อนเลยแล้วไม่เคยไป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 แล้วไม่ถึงด้วยซ้าไปพอของสิ่งนั้นมันเกิดชำรุดสูมหายไปไอ้จิตที่มันอยู่เป็นนานานปีก็ต้องมาเสียใจกับไอ้ของที่มันมีอายุสั้นๆทั้งนี้แต่พอมันสักพักมันก็หาใหม่มาแทนมันไม่จำมันไม่จดไม่จำมันไม่รู้ว่ามันเป็นทุกข์เพราะว่ามันไม่รู้ว่าธรรมชาติแท้จริงของจิตนั้นไม่ต้องมีอะไรมาบำบุงบำเบอก็มีความสุขยิ่งกว่าอันนี้มันไม่เคยเจอ คือความสุขอันยิ่งใหญ่ของจิตที่สงบนิ่งที่เกิดจากความสงบนิ่งของจิตนี่ตัวมันเองไม่เคยเจอมันถูกก ว, วิชาความหลบ น, นี้หรือมิจฉาทิฐินี้หลอกให้ไปหาความสุขจากสิ่งต่างๆจากภายนอกเข้ามา <c oughs> ก็หาไปอยู่เรื่อยๆหรือว่าถ้าถ้าบรรลุถึงขั้นสูงสุดในการปฏิบัติของโลกียธรรมคือได้ฌานสมาบัติได้สมาธิ ก็จะติดอยู่ในฌานในสมาบาัติติดในสมาธิแต่ก็ยังไม่ยังไม่หลุพน้นเพราะว่ามันยังติดอยู่ในความสุขของฌานนั้นซึ่งฌานนั้นก็มีความความไม่เที่ยงนําเสียมได้เช่นตายไปเกิดไปบนอยู่บนสวรรค์ชั้นพร ม, มโลกอยู่สักกี่หมื่นปีก็แล้วแต่เมื่อถึงเวลามันเสียมลงจิตก็จะหยาบลงมากลายเปนเทกแล้วกลายเป็นมนุษย์ แล้วก็กิเลสมันก็จะออกมาแสดงนวดลายให้เราไปสแสวงหาความสุขแล้วก็ต้องไปถ้าเราติดอยู่ในในในในความสุขจากการนั่งสมาธิเราก็จะไปนั่งสมาธิต่อเหมือนกับไปเติมน้ํามันหเพื่อให้เราได้กลับไปสู่ความสุขของของฌานถ้าเราม่เคยมีความสุขกับการไปเที่ยวไปนู่นมานี่ไปเห็นรูปไปฟังเสียงเราก็เราก็ไปหาสิ่งนั้น จำมาเกิดเป็นมนุษย์กี่ครั้งก็จะไปทําอย่างที่เราทําอยู่เนี่ยแต่มาก็ไม่ต้องมีใครสอนนะี่เรื่องไปเที่ยวนี่ลูกต้องขอพ่อแม่ไม่ต้องสอนลูกว่าไปเที่ยวเลยเดี๋ยวไม่ลูกกับสอนพ่อแม่คืได้ทั้งไปว่าที่ไหนมีที่น่าเที่ยวป่าตอนนี้เพราะมันเป็นเรื่องที่ฝังติดฝังมากับใจมันเป็นตัวเหตุที่ทําให้พวกเรามาเกิดคือการมาตัณหาหรือการมาฉันทะ ความยินดีในรูปในเสียงในถิ่นในลดในโผฏฐพพะทั้งหลายมันก็พาเราเวียนไปอย่างเนี้ยเกิดเจ็บเจ็บตายกี่รอบกี่รอ บ, รอ บ, รอบก็เป็นอย่างนี้ไปเพราะไม่มีใครมาสอนให้เราแก้ปัญหานี้ก็มีพระพุทธเจ้านั่นแหะที่เป็นคนที่ก็มีปัญหาเหมือนกับพวกเราเพียงแต่ท่านเป็นคนที่ฉลาดเป็นคนที่ช่างสังเกตเป็นคนที่ศึกษาแล้วก็ตั้งจิตตั้งใจ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 เราจะเป็นพระพุทธเจ้าไม่ได้แล้วล่ะเราเราก็เป็นไปไม่ได้ด้วยเพราะบนบาลมีเราไม่ถึงขนาดเพียงแต่ทําตามคําสอนของท่านยั ง, ยงทํากันไม่ได้แล้วเราจะไปทําเองยังทาได้อย่างไรมีแผนที่ยังไม่ไปเลย <c oughs> คิดถ้อจารพูดถึงเ้ื่องไตหลักเนี่ยท่าบอกว่าพระพุทธเจ้าจ้ที่รู้ว่าเอทุกขงังอนิจจังและตานะ ถ้าเปิดไม่มีพุทธเจ้าก็รู้แค่คกุฑอย่างเดียวนะรู้ทุจรู้อันนีจังเลยแต่ตามไมได้เพราะไม่รู้หน้าตามันเลยไม่ครบงไม่ครบสัไม่ครบสาครัี้พูดถึงเรื่องของขันห้าที่ประกอบของร่างกายกายกับใจกายกับจิตเนี่ยส่วนที่เป็นกายกับจิตเนี่ยเข้าใจแต่ว่าสังขารวิญญาณทั้งหลายัญญาสังขารวิญญาณต้องประกอบกับกายกับจิตรวมกันจนถึงจะเกิดสิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นเกิดสัญญาเกิดวิญญาณขึ้น ก็คือถ้าถ้ามันต้องมีวิญญาณคือมันก็ต้องมีแต่ความจริงวิญญาณนี่บางทีท่านก็แสดงไว้หกลักษณะไม่ใช่ห้าคือนอกจากอินทรีย์รสปวดสะพแล้วก็ยังมีมโนโวิญญาณออืคือเกิดจากความคิดเพราะฉะนั้นจิตของเราสมมติเราหลับหูหลับตาเราไม่อะไรแต่จิตมันก็ยังคิดได้ยังปรุงได้ยังรับเวทนานที่เกิดจาก จากความคิดของตนเองได้ไม่ต้องอาศัยไม่ต้องอาศัยทุกกายไม่ต้องมีร่างกายเย่างเช่นพวกเทพนี่ตัวยอย่างเวลาที่เรานอนหลับไป <c oughs> เวลาเรานอนหลับนี่เราก็ยังฝันความฝันนี่ก็ออกมาจากนามขันนี่ยออกมาจากเวทนาปัญญาสังขารปัญญาณเพียง <c oughs> แต่รูปที่เราเห็นมันไม่ได้เป็นรูปหยาบมันเป็นรูปทิพียงทิพ <c oughs> ใช่ไหมเราเวลานอนหลับเรายังฝันแล้วเราเห็นหนู่น <c oughs> เห็นนี่ไปเห็นได้ไง <c oughs> วเวลาหลับตา การมันเห็นด้วยใจเนี่ยเห็นด้วยใจมันก็ต้องเห็นด้วยนามะขันเนเป็น ต, ตัวตัวพาไปอย่างเวลาที่เรานอนหลับฝันดีก็เหมือนว่าตอนนั้นเราไปสวรรค์นเนี่ยหรือว่าถ้าเราหลับแล้วฝันร้ายก็ตอนนั้นเราก็ไปนรกเพราะะนั้นทั้งห้าอย่างนี้ก็มีเฉพาะส่วนที่เป็นวิญญาณเท่านั้นที่เป็นมนุวิญญาณอยู่ส่วนอื่นต้องประกอบเป็นร่ากายกระติตรวมกันถึงจะเกิด้นน อ, อีอหมายถึงว่า นามาขานนี้มันอาจจะไม่ต้องอาศัยร่างกายก็ได้พวกเทพพวกอะไรพวกเลกายทิพย์กายละเอียดคือไม่ต้องมีกายหยาบอย่างร่างกายพวกเทพพวกพรมหรือแม้กระทั่งพวกสัตวนลโลกนี้เขาก็ไม่มีกายหยาบเพียงแต่ว่าจิตของเขาเป็นจิตที่มีแต่ความรุ่มร้อนปรุงแต่เรื่องความทุกข์หราเป็นอสูรกายก็ปรุงแต่เรื่องความหวาดกลัว ถ้าเป็นเปรต ก, ก็ปรุงแต่ความหิวความอยากถ้าสัตรูโรค ก, ก็ปุงแต่ความรุ่มร้อนจิตใจเกิดจากความเครียดแค้นอาฆาตพยาบ า, าททาอะไรไม่ได้ดังใจก็โกรธแค้นโกรธเคืองกินไม่ได้นอนไม่หลับนี่เป็นใจของพวกศันรกโรคความรุมร้อนที่จะจากความโกรธรุ่ญยาที่ยังไม่ได้ไปเกิดเนี่ยจั้งจักอันนี้ก็ถือเป็นอันนี้นนคือความจริงมันก็เกิดแล้วเพราะว่ามันเป็นเป็นพราะถุเท้าแล้วเป็นพวกกยานรกแล้วเป็น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 ถ้าเบาถ้าเป็นพวกกวาดตัวก็ปรุงให้เป็นพวกอัสุรกายถ้าเป็นพวกโลคก็ปรุงให้เป็นเตกถ้าเป็นพวกที่ไม่รู้เรื่องวุราก็ทําให้มาเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานถ้าเป็นพวกที่มีศีลก็ปรุงให้มาเกิดเป็นมนุษย์เป็นเทพเป็นเป็นพรหมไปแต่ถ้าเป็นพวกที่มีมีดวงตาเห็นธรรม มีวิปัสสนาก็พวงให้ไปเกิดเป็นพระอริยเจ้าเป็นพระโสดาบันขึ้นไปส่วนพอถึงเป็นพระอรหันต์แล้วก็อวิชชาก็ที่ตรวจ ต, ตัววิชชากจกลายเป็นตัววิชาไป ต, ตัวเป็นธรรมไปเพราะว่าอาวิชชาก็คือความไม่รู้ความจริงไม่รู้ในการรักเมื่อถูกการการปฏิบัติธรรมพัฒนาจนกระทั่งอวิชชาถูกทําลายไปหมด<ม>ก็เลยกลายเป็นวิชาปัจญาสังขารัป วิชาก็จะอย่างจิตของพระพุทธเจ้าของพระอรหันต์นี่มีแต่วิชามีแต่ธรรมเป็นตัวผลักดันให้คิดให้ทำให้พูดต่างๆก็จะคิดแต่เรื่องที่ดีที่งามไม่ได้เป็นไปตามความโลภความโกรธความเหงยก็ไม่ต้องไปแสวงหาสิ่งต่างๆภายนอกมาให้ความสุขเพราะจิตของท่านนั้นมีพร้อมบริบูรณ์ทุกอย่างแล้ว มีของดีกว่าที่ของต่างๆที่จะไปหาได้ในโลกนี้ไม่มีอะไรจะวิเศษจะประเสริฐเท่ากับความสุขของจิตความสุขที่ได้ชำระความโลภความโกรธความหลงแล้วความสุขนี้มันมีสองแบบความสงบนี้มันมีอยู่สองแบบความสงบที่เกิดจากการกำลาบทาให้ความโลภความโกรธความหลงนั้นสงบตัวลงชั่วคราวเช่นเวลาที่เราทาสมาธิตอนนั้น โลคโกรธหลงก็ไม่ทํางานงจิตก็เหมือนกับเป็นนิพพานแต่เป็นนิพพานแบบที่ยังมีกิเลสสังตัวอยู่พอออกจากสมาธิปั๊บกิเลสก็จะออกมาทํางานตามการทํางานของจิตก็จะเริ่มสร้างความโลคความโกรธความหลงตามมาอีก น, นี่อีกส่วนวาสุและความสงบอีกแบบหนึ่งคือการสงบที่เกิดจากการตัดพวกโลคโกรธหลงให้ออกไปเลยไม่ให้มีเหลืออยู่เลย ตรงนี้เป็นความสงบแบบถาวรไม่ต้องเข้าสมาธิก็ได้ยืนเดินนั่งนอนอยู่ในร r ยาบทสีก็จะสงบอยู่ตลอดเวลาจิตจะไม่มีความหวั่นว้ไม่มีความกระทบกระเทือนกับอะไรต่างๆที่มาสัมผัสกับรูจีกับตาหูจมูกลิ้นกายใจจิตก็จะเฉยๆนิ่งอยู่เสมอตรงนี้เป็นความเป็นความควา ม, ความสงบที่ของพระ น, นิพพาน เมื่อทำลายความโลภความโกรธความหลงหลุดไปจากจิตจากใจแล้วก็จะไม่มีอะไรที่จะมาสร้างความทุกข์สร้างความยืนยายใจจะทำได้จะกําจัดได้ก็ต้องกําจัดตัวหลงเป็นหลักเพราะตัวหลงเป็นตัวเหตุทําให้โลภทําให้โกรธเราไม่รู้ว่าเรามีความสุขเหมือนกับเราไม่รู้ว่าเรามีมีสมบัติเงินทองเขา้เขาของอยู่ที่บ้านเต็ไมไปหมดพอ่อแม่เขาเก็บไว้ให้ในตู้แต่ไม่บอกเราเราก็ไม่รู้ แล้วก็ต้องออกไปทํา ง, งานทําการให้เหนื่อยยากไปหาเงินหาทองหามาได้เท่าไหร่ก็นิดเดียวถ้าเปรียบกับเงินทองที่พ่อแม่เขาบีบเก็บไว้ในบ้านแต่เราไม่รู้แต่พอสักวันหนึ่งมีคนมาบอกแล้วบอกไปหาทําไมเสดเสดินเสดเงิน เ, เงิ น, น, นที่บ้านของพ่อแม่เก็บไว้ให้มีกองเท่าพีเขา่าเราได้ไปหาเอาในบ้านนี่ก็เหมือนกันพระพุทธเจ้า ก, ก็มาบอกอย่าไปหาเลยไอส้สมบัติภายนอกมันไม่มีค่าอะไรหรอก สมบัติภายในใจนอนนี้มันแสนจะวิเศษทําไมไม่ไปหากันเนี่ยนี่คุณค่าของพระพุทธเจ้าอยู่ในเนี้ยท่านชี้ชี้ทรัพท์ที่แท้จึงให้เรารู้จักเมื่อเราได้ยินได้ฟังแล้วเราเกิดศรัทธาขึ้นมาแล้วเราก็เริ่มปฏิบัติตามตัดแล้วไม่ไปแล้วไม่ไปหาสมบัติข้องเงินทองความสุดภายนอกไม่ไปแล้วหลับหูหลับต า, ท, าทําจิตใจให้สงบเนี่ยตัวนี้จะทําให้เราเข้าไปเจอสมบัติอันยิ่งใหญ่ที่มีอยู่ในใจของเรา ได้แล้วเนี่ยนี่คื อ, น, คอนี่คือการแก้กความหลงความหลงคือเราไม่รู้ว่าความสุขที่แท้จริงอยู่ในในตัวเราเราก็เลยต้องออกไปหาความสุขภายนอกหาความสุขมาจากทางรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสต่างๆอย่างนี้เราได้มีคนมาบอกเราแล้วว่าอันนี้ไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงความสุขที่แท้จริงมีอยู่แล้วในใจเราที่เราก็ต้องพยายามปฏิบัติตามต่อสู้กับความ ความโลภด้วยการให้ทานด้วยการรักษาศี่งดการภาวนานี่เป็นเครื่องมือที่จะสู้กับความโลภได้ครับความโกรธนี่มันเป็นผลตามมาจากความโลภทีเดียวเวลาเราโลภเราอยากจะได้อะไรแล้วเราไม่ได้ดังใจเราก็โกรธแต่ถ้าเราไม่โลภแล้วเราจะไม่โกรธสักลายหล่กใครจะเอาอะไรก็เอาไปของชิ้นเดียวกันนั้นถ้าเราไม่อยากจะได้สักอย่างใครเอาไปเราก็ไม่เราก็ไม่เดือดร้อนถ้าเกิดเราอยากได้ขึ้นมาแล้วคนอื่นมาเอาไปเนี่ตอนนั้นมันจะโกรธ ดฉะนั้นความโกรธมันเป็นตัวตามมาตัวเกิดจากความโลภส่วนความโลภ ก, ก็เกิดจากความหลงถ้าไม่รู้ว่าความสุขที่แท้จริงนั้นมันมีอยู่ในจิตอยู่ในใจของเราแล้วเราจึงต้องมาตัดเนี่ยเราไม่มีเงินทอนถึงบอกอย่าไปทํางานเพื่อหาเงินมาเยอะเพื่อมาทําบุญเพีย <c oughs> แต่ให้ทําเงินที่เรามีเหลืออยู่เงินที่มันพอ มันเกินความจําเป็นเนี่ยเราจะได้มีเวลามาภาวนาแทนหาใจไหมงั้นึงไปไปหาเงินไปหาเงินหาทองมันก็หาเสียาเดินนั่นไม่ยังไม่กลับเข้ามาห า, หาทระพย์อันยิ่งใหญ่ที่มีอยู่ในตัวของเราทุกอย่างนี้สอนไปเพื่อให้เข้าสู่การภาวนาแต่ทนที่จะยงเงินไปเที่ยวนู่นเที่ยวนี่ก็เอาเงินนี้ไปทําบุญเที่ยจะได้ไม่ต้องเสียเวลาไปเที่ยวเอาเงินไปเข้าวัดสิ ไปวัดก็ได้ไปทาบุญด้วยแล้วก็ได้ไปภาวนาด้วยไปรักษาสิ่งด้วยเพื่อที่เราจะได้ดึงใจเราให้กลับเข้าสู่ข้างในเข้าหาสิ่งที่เสรฐที่มีอยู่แล้วในตัวของเราเองศาสนาพุทธนี้ไม่ได้ปิดกั้นใครทั้งสิ้นเพราะทุกคนมีโอกาสเข้าเทียงกันไม่ว่าหญิงไม่ว่าชายไม่ว่าเด็กไม่ว่าผู้ใหญ่ในสมัยพุทธกาลนี่มีพระอริยบุคคลทุกเพศทุกวัย ทั้งนักบวชทั้งคารวะทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่มันอยู่ที่ว่าเขาเกิดสัมมาทิฏฐิขึ้นมาหรือไม่เขาเขาเขาแก้ความหลงเขาได้หรือไม่เคสมันอยู่ตรงนั้นเองถ้ามันแก้ความมันเข้าใจว่าเราหลงผิดแล้วเนี่ยแมันมันแก้ได้ตรงนั้นมันก็ไปเร็วมักแบบท่านถึงสแสดงที่สัมมาทิฏฐิก่อนเพราะว่าไอ้ตัวนี้ตัวนําเลย มิจฉาทิฏฐิหรือสัมมาทิฏฐิถ้ามิจฉาก็ไปหลงทางไปผิดทางเช่นเราคนก็บอกทางให้เราไปวัดเราเขาบอกให้ไปทางนั้นแล้วถึงตรงนั้นให้เลี้ยวขวาแต่พอเราถึงตรงนั้นเราไปเลี้ยวซ้ายอย่างเงี้ยมันก็ไปไม่ถึงอ่ะหมยความว่าที่การหนี่ขัจับยากไหคะบางทีไม่รู้ว่าหลงหรือไงจึงต้องอาศัยการได้ยินได้ฟังมากๆการศึกษาการฟังเทศฟังธรรมหรืออ่านหนังสือธรรมะเหล่านี้ ก็เหมือนการเรียนหนังสือเราอยากจะรู้วิชาความรู้เราก็ต้องไปโรงเรียนไปเรียนหนังสือกันเมื่อเรียนแล้วมันก็จะรู้เองเพียงแต่ทางทางศาสนานี่มันเพียงแต่ฟังอย่างเดียวไม่พอเมื่อันฟังแล้วมันต้องนำไปปฏิบัติ ด, ด้วยมันถึงจะทำให้เกิดผลขึ้นมาเมื่อรู้แล้วไม่ทำแต่กลับไปทำตรงกันข้ามกับที่ตนเองรู้มันก็เหมือนกับไม่รู้อยู่ดี รู้ว่าให้ทอนาก็ ย, ยังจะไปหาเงินมาทำทานเียตอนนี้เป็นเง้นไปขออ้างมากกว่าเพราะ <laughs> นอกจากมาทำทานแล้วยังเอาไปเที่ยวด้วยคุณ <laughs> ต้องอ ง, องอานกินเงินเดือนนะไรบอง่ง <laughs> ท่านตอวันนั้นที่คุู้เบ๊กพยายามบอกว่าท่านจะอธิบายตรงนี้คือรูปเพเข้าใจว่าท่านจะบอกว่าถ้าเมื่อได้อับปนาสมาธิแล้วเนี่ยให้ถอยกลับเข้ามาพิจารณาเดินปัญญาจากตรงนั้นเลยได้ใช่ไหมค่ะคือไม่ได้ให้ถอยออกมาเองให้มันอยู่ของมันจนกว่ามันจะถอนออกมาเองมันไม่ต้องครับมันไม่ต้องครับขณะเข้ไปนะให้มันอยู่ให้นานที่สุดมัอนอเริ่ม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 เล้วการที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ทา่ที่ท่ที่าี่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ี้ที่ที่ที่ที่ที่ที่กี่ที่ที่ที่ี่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ททีี่วี่่ที่ที่ที่่ที่ที่ท่ที่ที่่่ที่ี่ที่ที่่ทีเที่่ทีกท่ี่ที่ทีนที่ที่ที่ที่ที่ท่ทีี่ที่ที่ที่ที่ท่ที่ที่ที่ที่ที่ท่ที่ท่่ เห็นว่ามันจำต้องละลายกลับไปเป็นดินน้ำเป็นลมเป็นไฟพิจารณาเห็นว่ามันไม่สวยไม่งามมันเป็นอสุภะเห็นในทั้งถ้าพิจารณาถึงด้านนี่มันได้ธาตุริยะต้องสามต้องต้องสองขั้นเนี่ยต้องสามขั้นเนี่ยเป็นขั้นพระนาคามีไปพิจารณาร่างกายนี้พระนาคามีนี้ท่านทาต้องผ่านร่างกายไปก่อนท่านต้องตัดกามราคะหรือการยินดีในในในร่างกายนี้เห็นแล้วจะไม่เห็นว่าสวยว่างาม จะเห็นว่ามันเห็นทะลุตัวปผงเข้าไปอยู่ใต้ผิวหนังปัญญานี้มันสามารถทําให้ผิวหนังนี่เรากลายเป็นเหมือนแก้วใสเป็นเหมือนแก้วเหมือนพลาสติกเนี่ยมองเห็นทะลุว่ามีอะไรอยู่มีูข้างในถุงพลาสติกแต่ถ้าไม่มีปัญญามันก็จะไม่เห็นว่าข้างในเป็นอะไรมันก็จะจินตนาการไปตามส่วนที่มันเห็นภายนอกเช่นคนเข้าซื้อกระเป๋าฟสวยๆมาให้เราใจข้านยัดยัดขยะไว้ให้เราเนี่ยยัง เราก็ไปจินตนาการวอยคงจะใส่เงินไม่เต็มกระเป๋าเร <c oughs> เกิดขึ้นมาโอ้ยมีแต่เศษขยะร่างกายของคนเราก็อย่างนั้นมันสวยแต่ภายนอกแต่มันไม่สุดข้างในนี่มันมป็ที่ไม่น่าไม่น่าดูงนั้นเองแต่เราไม่พิจารณาดูมันก็ไม่เห็นยังต้องผ่านร่างกายไปก่อนต้องพิจารณาร่างกายการพิจารณาไประยะหนึ่งมันก็จะเกิด ความเหนื่อยขึ้นมาหรือมันเริ่มไม่ค่อยอยากจะพิจารณาหรือมันเย้อมดวนแล้วก็หยุดย้อนกลับมาทําสมาธิพักสมาธิปัญญานี้ต้องต้องสนับสนุนกันคือสมาธิเป็นเหมือน ท, ที่ที่หลับนอนที่กินข้าวมันโยมทุกวันเวลา ไ, ไปทํางานมาแปดชั่วโมงก็เหนื่อยก็ต้องกลับมาบ้านอาบน้ำ ห, ห, หลับตากินข้าวหลับนอนพอตอนเช้าตื่นขึ้นมาก็มีกําลังบางชาก็ไปทํางานต่อ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 ตอบไปความ อ, อยากนะั้นมันก็จะไม่มีอำํำนาจที่จะมาหลอกเราให้เราไป อ, อยากอยู่กับคนนั้นอยากจะอยู่คนนี้อยากจะได้สิ่งนั้นอยากจะได้สิ่ง ไ, ไม่ทําให้เรากลัวความแก่ความเจ็บความตายต่อไปถ้ายังกลัวอยู่ก็แสดงว่ายังยังไม่ยังเห็นยังเห็นไม่ชัดถ้าเห็นว่าเรานอนตายอยู่แล้วแน่นอนไม่มีอะไรไม่มีใครที่จะมาแก้ความจริงอันนี้ได้แล้วมันยอมรอบความจริงไม่ได้มันก็ไม่กลัวแนะ เพราะกลัวก็มีแต่ความทุกข์นั่นคือเราพิจาราใที่จะฝึกนินารเรื่องของการนิ่งเรื่องก็เนี่ยอันนี้ก็ความเกิดแก่เจ็บกายทุกข์ก็คือเนี่ยเราไปยึดไปติดมันก็ทําให้เกิดความทุกข์ถ้าเราไม่ไปยึดไปติดมันไม่ได้ใบวางว่าเป็นตัวเราของเรานี่นเราอสุภะอสุภก็เพื่อตัดความความอยากในรูปของผู้อื่นเราที่ต้องมีคู่ครองก็เพราะเรายังเห็นว่าคู่ครองของเราสวยงาม แต่้าเราพิจาวณาก็มีแต่โครงกระดูกอย่เงี่ยเวลาคู่ครางเราตายแล้วไปนอนเขาจะนอนกับเขาไหมเนี่ยแล้วก็เราไม่ยอมเห็นเข้าในสภาพนั้นเราพยายามปมัดอย่าี้ยทั้งที่มันก็คนตายวันเดียวกับคนที่มันก็ไม่ต่างกันร่างการมันก็อันเดิมแต่คนตายเพียงวันเดียวให้เราไปนอนด้วยแล้วก็ไม่เอาลนะ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 ส่วนต้นท่านอาจารย์พูดถึงผู้ที่เจ้าเนี่ยท่านท่า น, านเมื่อบรรลุธรรมแล้วเนี่ยท่านไม่ต้องอาศัยกายก็ยังได้แต่จริงท่านอยู่อาศัยเนเพื่อเพื่อต้องการที่จะเผยแพร่ศาสนาส<อ>ี่สิบห้าปีนะนั้นเพราะปริญญาสงท์ที่ที่บรรลุธรรมปัจจุบันนี้ก็คงโดยสภาพแบบเดียวกันนะครับเดียกันเพราะจิตมันไม่มีไม่ต้องการอาศัยแล้วไม่ได้ต้องการอะไรในโลกนี้แล้วท่านได้ได้สมบัติอันวิเศษไปครองแล้วถ้าเป็นลอตตอรีก็ถุงเงินที่หนึ่งแล้ว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 แต่พระพุทธเจ้ า, าจบอกว่ามันจะไปแค่8ปดสิบปีท่านก็เอาแค่แปดสิบปีมันก็ไม่เลยไปแต่ท่านบอกว่าถ้าต้องการจะอยู่ต่อท่านก็พอที่จะรั้งมันได้แต่ท่านก็ก็ไม่อยากที่จะไปรั้งมันย <c oughs> <c oughs> กเว้นถ้ามีคนขอร้องให้ท่านอยู่เนี่ยท่านแสดงทำให้พระอนนนความกิจทั้งพระอนุนก็ไม่เคยขอรับธนาท่านอยู่ ท่านก็เลยคือว่าเมื่อเขาคงไม่อยากให้เราอยู่แล้วเราก็อย่าอยู่เลยก็อันนี้ตอนที่หลวงตาหลวงตาท่านท่านไม่สบายเมื่อหลายปีก่อนเนี้ยลูกศิษย์ก็มีแตอธิษฐานสิ่งเหล่านี้ขอท่านคงอยู่ต่อลวกผัวพวกเราแบบนั้นมันก็ทํำท่านจะอยู่เท่าที่จะอยู่ได้ท่านใช้ท่าำอะไรก็ทําให้ท่านมีกลามีกําลังจิตกําลังใจที่ว่ายังทําประโยชน์ให้กับคนอื่นได้ไม่ได้อยู่เพราะไปบังคับให้เขา เขามาฟังเทศฟังธรรมมาศึกษาพระท่านแต่เพราะว่าเขาได้รับประโยชน์จากท่านจริงๆ mm hmm. มันก็ทำให้ท่านพยายามตะเกียบตะตายคอยคอยดูแลรักษาพลาดขันซึ่งเหมือนกับรถยนต์เนี่ยรถยนต์มันเก่าขนาดไหนถ้ายังจะใช้มันก็เปลี่ยนเครื่องใหม่มัง่งไปปะไปผุไปเคาะไปอะไรไปมันก็ยังพอวิ่งได้อยู่ mm hmm. ร่างกายนี้ก็เหมือนกัน เพียงแต่ว่าท่านก็มีขอบเขตอ่ะอย่างน้องตาท่านก็คงไม่ยามเข้าไปโรงพยาบาลไปเปลี่ยนหัวใจไปเปลี่ยนตับเปลี่ยนไตอะไรย่างเงี้ยท่านคงไม่ทําท่านก็เพียงแต่รักษาไปตามอัตภาพของของมันคือการดูแลรักษาร่างกายนี่มันก็มีส่วนทําให้อายุยืนหรอายุตั้นนะแล้วเราไม่ดูแลมันเช่นเราปล่อยป่แล้วเลยกําลังกายก็ไม่ออกไม่รับ ก, กินรับประทานอาหารก็ รับบ้างไม่รับน้อยบ้างแล้วแต่อารมณ์อี้มันร่างกายมันไม่ได้รับการดูแลอย่างสม่ำเสมอมันก็จะเสืเ่อมเร็วอย่างถ้าพยายามวันไ น, นไม่ไม่อยากจะรับประทานก็ยังฝืนรับประทานเข้าไปตามปกติถึงเวลาจะต้องออกกําลังกายเดินจงกรมท่านก็ทำท่านตามปกตินี้มันก็ทําให้ร่างกายมันสามารถที่จะอยู่ไปได้นานสังเกต ด, ดูคนบางคนเวลาก็ไม่มีกําลังจิตกาลังใจยอยู่แล้วบางทีร่างกายเขาจะไม่เป็นอะไรเลยเขายังปล่อยให้ตายไปได้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 ท่านเพียงเห็นด้วยปัญญาว่าคนที่จะฟังไม่มีคนที่จะรับไปไม่มีเพราะโลกเราบางบางบางครั้งบางเวลาอาจจะอยู่ในยุค ข, ของความมืดกด็ได้คือมืดมืดทางด้านธรรมะแต่อาจจะเลินทางด้านวัตถุอย่างทุกวันนี้โลกเรากําลังมืดทางด้านศีลธรรมแต่กําลังเจริญด้วยวัตถุเข้าของเงินทองกันใช่หไหมเรามีมีสิ่งต่างๆทางด้านวัตถุเอี้ยวไปหมดไปไหนมาไหนสะดวกสบาย แต่ใจของเราเป็นไงมีแต่ความรุ่มร้อนมีแต่อารมณ์ขับรถนี่ถ้าจะบาดกันไปปาดกันมาเบียดกันไปเบียดกันมาไม่มีไม่มีความเมตตกันเลยขับรถต่างคนต่างเบียดกันต่างคนต่างแย่งกันไปนี่แสดงถึงความความตกต่ำของจิตใจจากความเจริญทางด้านวัตถุส่วนมันมักจะไปไป ในคนละทางกันถ้ามันจเจริญทางด้านวัตถุแล้วความศิลปธรรมมันจะเสื่อมถ้าศิลปธรรมเจริญแล้วเรื่องวัตถุมันจะไม่ค่อยจเจริญเท่าไหร่เพราะเราไม่มีความจําเป็นที่จะต้องไปเอาวัตถุมากมายขนาดนั้นวัตถุที่จําเป็นก็เพียงแต่ปัจจัยสีเท่านั้นเองที่ในหลวงทรงตรัสสอนอยู่เสมอว่าเศรษฐกิจพอเพียงพอเพียงก็คือพออยู่พอเก่ยกับการอยู่ดํารงชีพ เพรานั้นเองไม่จําเป็นจะต้องมีรถสองสามคันไม่จำเป็นจะต้องมีเพชรมินตินดาอะไรต่างๆเหลนี้พอมีสิ่งเหล่านี้แล้วมันเกิดความหวงเกิดความแห寒เกิดความเห็นแก่ตัวขึ้นมาเกิดความหวาดระแวงคนอื่นไปหมดกลัควคนอื่นจะมาแยง่งชิงมาขโมยให้ตัวเองทำให้ไม่กล้าสนิทสนมกับใคร กลัวจะเสียสมบัติเก้าของเงินทองใจเลยแคบคนใจแคบนี่ไม่ใช่คนใจกว้างคนที่ไม่มีสมบัติเงินทองนี้จะเป็นคนใจกว้างอย่างพระนี่ใจกว้างใครจะมาไม่ไหลใจเพราะไม่มีอะไรจะให้เขามีแต่ธรรมะเขาก็ไม่เอาอยู่แล้วแต่คนบางคนไม่ค่อยอยากจะฟังธรรมะเนี่ย เรถึงถวายทานแตจก็ไปแล้วเดี๋ยวหลวงพ่อจะได้พักผ่อนแต่ไม่คงไม่ใช่คะแนนนี้วันนี้ก็พูดธรรมะอย่างสบายๆนะไม่ต้องไม่ต้องเครียดมากไม่ต้องแน่นเกินไปแต่เวลาภาวนาเนี่ยตัวที่ปัญหามากสำหรับเราคือตัวตัวนิวรณนเนี่ยแล้วก็ ตัวความฟุ้งซ่านเนี่ยมันผมเป็นปัญหามากคนที่ทำให้กันไม่ลงทุกทีอะไรอย่างเงี้ยครับทุกคนทุกคนะคอยู่ที่ว่าเราเราเราจะมีความพยายามมากน้อยเป็นไรมากกว่าถ้าเรามีความฉันทะมีมีที่บาตรีคืมีฉันทะเป็นตัวเริ่มต้นคือมีความพอใจความชอบใจที่จะทําแล้วมันความขยันมันเพียนมันจะตามมาความอดทนมันจะตามมา แล้วความยากมันก็ยากเหมือนกันทุกคนเนี่ยเบื้องต้นแต่ถ้ามันมีความพยายามมีความอดทนแล้วเดี๋ยวความยากมันก็กลายเป็นความง่ายมันมันมันยากตอนตอนเริ่มต้นนี่เท่านี้พอมันเริ่มทําไปได้แล้วมันมีตัวตัวผักดำให้ไปมันไปได้ที่เราขาดมันไม่ได้เราไม่ได้ขาดเราขาดเราขาดอิทธิบาทสิเป็น่าหรือเราขาดฉั้นทะวิริยะเป็นด่าความยินดี เวลาให้นั่งสมาธินี่มันไม่ค่อยยินดีเหมือนกับเวลาไปเที่ยวเนี่ย <c oughs> <c oughs> เวลาไปเที่ยวนี่มันง่ายกว่าเวลานั่งมันก็เหมือนกับเวลาเดินขึ้นเขากับเดินลงเขาเวลาเดินขึ้นเขามันยากมันเลยถ้าไม่พยายามจริงๆมันจะไม่ได้ไปถึงย่างคนเวลาณเขาถึงเชื่อกันว่าเวลาเดินขึ้นไปกับพระพุทธบาทที่ต้องขึ้นบันไดสองร้อยขั400้นสี400่ร้อยขั้นแล้วจะได้บุญมากๆ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 เริ่มเห็นผลบ้างนีมันก็จะมีความพอใจที่จะทำมากยิ่งขึ้นไปมันก็คนเราทำมาคาดถายถ้าทำไปมีแต่ขาดทุนขาดทุนมันก็ไม่อยากจะทำเนาะยทำไปมันไม่ได้กำไรมันก็มันก็ทอ้อแท้แต่ถ้าทำไปแล้วได้กำไรมันก็จะมีกำลังจิตกนลังใจขึ้นมาด <c oughs> ังนั้นการทำการ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 ถ้าเราอยอมอดข้าวจานนั้นแล้วจะละข้าวจานนั้นให้กับเราตอนนั้นะเราจะได้สัมผัสกับความสุข<ม>ที่เกิดขึ้นจากการกระทําเราจะมีความรู้สึกภูมิใจมีความสุขใจ<ม>ที่ได้ช่วยเหลือผู้อื่นให้เขาได้มีความสุขบ้างเราก็กินมาหลายมื้อแล้วเราแค่เกียดจะละมือเดียวนี้ไม่ไม่ตายหรอกเราคิดอย่างนี้ถ้าเราทําแบบนี้เราเร า, เราจะเริ่มเห็นผลว่าอ๋อมันผลที่แท้จริงนั้นมันอยู่ที่ใจเราเป็นหล ต่วนเรื่องอนาคตชาหน้าพบหน้ามันจะเป็นไงเนะีเราจะไม่ค่อยสนใจหรอกเราจะสนใจกับการทําการกระทําให้ที่เกิดความสุขขึ้นมามถ้าเราพิจารณาแล้วเราจะเริ่มเห็นว่าระหว่างที่เอาเงินก้อนอย่างนี้ไปเที่ยว ก, กับเอาเงินก้อนนี้ไปช่วยเหลือคนอื่นเนี่ยเราจะเห็นว่าการเอาเงินก้อนนี้ไปช่วยเหลือคนอื่นนั่นมันมีคุณประโยชน์กว่าการที่เอาไปเที่ยว เราไปเที่ยวแล้วเราก็สนุก ด, ดีเอาเดียวแล้วมันก็ผ่านไปแล้วมันก็สร้างความอยากเที่ยวขึ้นมาอีกถ้าข่าวหน้าเราไม่มีเงินเราก็จะเดืดร้อนแต่ถ้าเราเอาเงินก้อนนี้ไปช่วยเหลือสองเคราะห์ู้อื่นความอยากไปเที่ยวมันก็ถูกตัดไปโดยปริยายข่าวหน้ามันก็ไม่ได้คิดอยากจะไปเที่ยวในปัจจุบันมันทําไปแล้วมันก็มีความอินเอิบใจมีความสุขใจ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 ไม่ค่อยมีความอยากมากดดันให้เราต้องไปเสียเงินเสียทองเมื่อเราไม่ต้องไปเสียเงินเสียทองเราก็ไม่ต้องไปวุ่นวายกับการหาเงินหาทองมากเกินเกินไปเราจะเริ่มเห็นว่าเรามีเงินทองพอมีพอใช้เมื่อก่อนนี้หามาได้เท่าไหร่ก็ไม่พอใช้สักทีก็เพรา ะ, ราะอตัวความอยากนี่มันมาคอยรอเราแล้วเงินเงินเดือนยังไม่ทันออกเลยมันรู้แล้วว่าจะต้องออกไปใช้ที่ไหนบ้างใช่ไหม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 ถ้าเราอยากได้ถึงนั้นถึงนี้มาแล้วไปทำให้คนอื่นเขาเดือดร้อนเราก็ไม่อยากจะได้จะหาโดยวิธีที่ไม่เปสร้างความเดือดร้อนก็อยู่ในศีลและธรรมนั่นเองไม่ไปไปแกแ่งแย่งจริงดีเอาให้คนอื่นเขาต้องมาวุ่นวายกับเราถ้าก็อยากจะได้ก็ให้เข้าไปเราไปหาอย่างอืงอ่นก็ได้เราไปทำที่อือ่นก็ได้ก็ทำให้เราเป็นคนมีศีลขึ้นมาแล้วจิตก็จะสงบมากยิ่งขึ้นไป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 ว่ามันมีมันมีเครื่องสนับสนุนนะเหมือนกับเราได้เรียนอนุบาลแล้วเราได้เรียนชั้นประถมแล้วจะขึ้นชั้นมัธยมมันก็ก็ง่ายพราเราผ่านมาแล้วถ้ายังไม่เคยเข้าอนุบาลยังไม่ได้เรียนชั้นประถมเราจะไปเรียนชั้นชั้นชั้นมัธยมเลยมันไม่ได้หระถ้าเราทางก็ยังกตัญญูขี่เหนียวยังเสียได้อยากจะเอาเงินไปเที่ยวไปไ ป, ไปกินไปเล่นอยู่ ศีลก็ยังรักษาไม่ค่อยได้ยังอดที่จะโกหก ห, กหลอกลวงคนนู้นคนนี้ไม่ได้อยางยังอดที่จะโกงเขาไม่ได้อย่างเงี้ยแล้วจะมาภาวนามันจะมีแต่ความวุ่นวายสายแสียอยู่ตลอดเวลาจึงต้องทำบุญทำทานก่อนแล้วก็รักษาศีลไปแล้วก็เข้าสู่ภาวนาแต่ก็ไม่ได้ไม่ต้องทำทีละขั้นนะบางทีก็ทำแบบพวกคู่กันได้เวลามีอะไรให้ทานได้ก็มีอะไรก็ให้ไปศีลก็รักษาไป แล้วภาวนาแล้วก็ภาวนาไปแต่มันต้องมีทานมีศีลก็คนที่บางคนที่เขาภาวนาได้เลยก็เพราะว่าใจเขาเป็นฐานมีศีลอยู่แล้วคือเขาก็ไม่เขาเขาก็ไม่ได้มีความโลภอยากจะได้อะไรมากมายแล้วก็พอมีทองกินทองถึงไม่มีเงินมากเขาก็ไม่ได้ทําทานอย่างเป็นพระก็ไม่ได้ทําทานแล้วะเวลาเวลาออกบวชนี่ก็สละหมดแล้วสละโอกาส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 ถ้ามีทานมีทานมีศีลมีสมาธิไม่มีปัญญาก็ไม่หลุดพ้นมันก็ได้แต่ทําจิตให้สงบทําให้กิเลสมันสงบตัวลงแต่มันไม่ตายเหมืองมือกับหินทับยากพอพอสมาธิเราเสื่อมไปแล้วกิเลสมันก็ออกมาแสดงตัวเองต้องอาศัยปัญญาปัญญาก็คือตายรักนี่แหละเวลาอยากจะได้อะไรก็บอกเอาไปทำไมเดี๋ยวก็ เอามาก็ามาทุกข์กับมันได้อะไรมาแต่ละอย่างสมบัติแต่ละชิ้นนี้ก็ต้องมาคอยดูแลรักษาก็เป็นความทุกข์อย่างหนึ่งเวลาเสียไปหายไปก็เป็นความทุกข์อีกอย่างหนึ่งมันมีแต่ความทุกข์ทั้งนั้นถ้ามันไม่มีความจําเป็นแล้วก็อยากไปเอามาถ้ามันมีความจําเป็นเพราะต้องเอามาทํามาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องก็ไม่เป็นไรเราก็ใช้มันไปดูแลรักษามันไปมันเสียก็ช่างมันก็ซื้อมาใหม่ได้เพราะว่ามันเป็นมันมันเป็นตัวสร้างรายได้ให้กับเรา แต่ถ้าเป็นตัวที่มาสร้างรายใจ่ายให้เราโดยถ่ายเดียวเอามาทำไมเช่นโทรศัพท์มือถือเงี้ยเราซื้อมาแล้วเสียงเงินซื้อแล้วต้องเสียงเงินค่าโถอยในเมื่อเราก็ใช้โทรศัพท์บ้านก็ได้โทรศัพท์ยอดเหรนก็ได้สบายกว่าตั้งเยอะเงี้ยแต่ก็อดไม่ได้เพราะความหลงทีดว่าโอนมีแล้วเท่มีแล้วมีความสุข แต่พอมีแล้วก็เดือดร้อนคุณพ่อคุณแม่ไม่ใช่ารทำบุญทาการที่แม่จู่กันนะคะมีใครตรวจคะว่าคนนี้ทำบุญเท่าไหร่เป็นยบเทีกับเงินเดือนหรือรได้อะอยเี้ยคะไม่ขอนมีคนที่ดูคะว่าคนนี้ทำบุญเยอะแล้วคนนี้ทำบุญยังไม่น้อยกับรายได้เยบเทียบเลยอย่างเงี้ยค่ะไม่มีคนดูหรอกมันเป็นธรรมชาติมันเป็นหลักของกรรม มันเป็นมันเป็นสิ่งที่มันมันเป็นไปด้วยอัตโนมัติจะพูดง่ายๆมันเป็นความเป็นจิเอ่ามันก็ฝนตกฝนฟ้ามีตกอ๋อมันมันมันมีผลกระทบที่จิตใจของคนนั้นไงพูดเปรียบเทียบเมื่อคนเีเงินร้านเงินเดือนเดือละล้านแต่ทาบุญแค่พันเดียวอย่างเงี้ย ความรู้สึกมันมันรู้สึกว่าไม่กระเทือนใจมันก็เมื่อมันไม่กระเทือนใจมันก็ไม่รู้มีความรู้สึกอิ่มเอิบใจแต่คนที่มีเงินเดือนหมื่นจะทําพันเองนี้มันกระเทือนใจเขามากกว่าอ่าจิตใจเขามากไปใช่ใช่เองั้นคนที่มีมากเขาต้องทํามากถ้าก็จะรู้ถ้าถ้าเราจะเกิดความรู้สึกมีความสุขจากการกระทันเขต้องทํามากเขาเปลี่ยนเหมือนกับช้างอ่ะช้างมันต้องกินข้าวลหลายหลายถังมันถึงจะอิ่มใช่ไหม แต่ถ้าหนูนี่มักินข้าวแค่ช้อนเดียวมันก็อิ่อมาฐานะการเงินมันก็เลยบังคับว่าคนมีมากก็ต้องทํามากอ ม, มันถึงจะทําให้เกิดความอิ่มเอิบใจขึ้นมามถ้างินต่อกระสีคนก็มีมากเขาก็ทํามากกับาคนที่มีน้อยอยู่แล้วนอกจากคนที่ทําไปสักแต่ว่าทนทีำเพื่อเพื่อไม่ให้เสียหน้าเงี้ยแต่ก็ทําน้อยเพื่อทําไปเต่านั้นเขาไม่ได้ทําด้วยความสนัครใจเขาไม่ได้ทําเพื่อบุญ เขาทาเพื่อสังคมเพื่อเพื่อไม่ให้เสียหน้าอะไรอย่างนี้ไปเท่านั้นอีนั่นคนนั้นที่เรียกว่าตันีนะอ่าคนนั้นพี่ติ๋วกาลังหาสัดส่วนนะฮะมีราได้ร้อยหนึ่งทาสักห้าสิบก็ทางศทางศาสนาคริสก็ก็ให้สิบเปอร์เซ็นต์ิบเขาแนะนำว่าควรจะทำสิบเปอร์เซ็นตถ้ามีเงินเดือนแสนก็ทําทักหมื่นหนึ่ง ถ้ามีถ้ามีล้านก็ทําสักแสนหนึ่งนี่ยังต่ํำนะถ้าถ้าอยากจะได้บุญเยอะๆมีความสุขเยอะบางทีล้านหนึ่งก็ให้ทั้งล้านเลยอย่างนี้ได้ความสุขเนี่ยเพราะว่าใจเราไม่ต้องพึ่งพาสายเงินทองนั่นถามมาแล้วจะกินอะไรก็มาบวชเป็นพระไงก็แบบก็แบบแบบหนมตาไงท่านได้เท่าไหร่ท่านก็ทำเท่านั้นะถ้าไม่เก็บไว้เลย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 แต่ต้องมียี่ห้อหรือต้องมาจากฝรั่งเศสคือถ้าเราทาใช้กับเราน้อยแล้วก็มีเงินเหลือไปทาบุญเยอะทาบุญเยอะก็ทำให้จิตใจเรามีความสุขเยอะขึ้นก็ทำให้ความอยากใช้เงินน้อยลงไปแต่จะทำให้เราพัฒนาความสุขในใจให้มีมากยิ่งขึ้นไปถ้าเราต้องาการความสุขที่แท้จริงเราต้อง ทำบุญเยอะๆยอย่าไปเอาความสุขจากทางทางร่างกายทางโลกเอาเท่าที่จำเป็นนักปฏิบัติทำเขาก็สอนให้อยู่แบบง่ายๆอยู่แล้วมีชุดขาวอยู่สองชุดเคอยู่ได้ละสลับกันชุดนี้ใส่ชุดนั้นออกไปซักนอนก็นอนกับพื้นเนี่ยพื้นไม้เนี่ยูเสื่อ น, นอนกอต่อแล้วกินก็ตามตามง่ายๆยกินสองมือ้อ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 อยู่กับพ่อแม่ที่ก็กินอาหารแบบนี้ก็กินไปแต่มันก็กลายเป็นเป็นเป็นออาจจะเป็นเป็นตัวคอยเหนียวล้างเราไว้ก็ได้เพราะถ้าเกิดเราอยากจะแสวงหาความสุขของทางจิตใจต่อไปเราก็ต้องมาอยู่แบบแบบนี้แบบอยู่แบบนี้เรียกง่ายๆถ้าเราไม่เคยเลยแล้วก็อาจจะอยู่ไม่ได้ก่อนมาชาตินี้ได้เจอศาสนาคุแต่ก็ไม่ได้รับประโยชน์ก็ได้ พรดันมาเกิดเป็นมหาเศรษฐีเสียาดายทรัพเสียดายความสุขทางโลกที่ตนเองได้สแสวงอยู่นอกจากคนที่ได้บำเพ็ญบา ร, รมีมาอย่างมากๆอย่างพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่จะไม่ติดพันกับไอ้ความเป็นมหาเศรษฐีความเป็นพระเจ้าแผ่นดินทำไมสมัยนี้มีพระเจ้าแผ่นดินองไหนมั่งศร้เอาบวชไไม่มีเนี่ยพรอบบุญบา ร, รมีเขาไม่มากเท่ากับที่พระพุทธเจ้าได้ทรงจะสมัย เรายังติดอยู่กับความสุขของทางโลกอยู่เพราะเขามีพร้อมบริบูรณ์มีประาสาทน้ำดูดอะไอย่างนี้เป็นต้นแต่พระพุทธเจ้ากลับไม่ได้มีความอะไรอาวรเลยเพราะท่านมีสมาธิมาแต่เดิมเนี่ยในในรู้สึกในในประวัติที่เคยเล่าว่าท่านเคยนั่งอยู่ภายใต้ต้นไม้ในวันที่เขามีงานแลกนาขวัญอะไรเนี่ย แล้วพอด like t án, t án ีคนอื่นเข้าไปทําพิธีกรรมอะไรต่างๆท่านก็นั่งอยู่ของท่านองค์เดียวจิตก็เลยรวมลงเป็นความสงบขึ้นมาบุญเก่าใชความสงบที่ท่านเคยได้ทําไว้ก่อนมาแล้วจิตมันรวมลงท่านก็เห็นว่าโอ้นีความสุขอันนี้มันดีกว่าความสุขที่ได้จากการดื่มการกินการเสพอะไรต่างๆท่านก็เลยไม่ค่อยเ้สึกเสียดเสียดเสียดลงเสียได้ใช่จะละออกบวชไปอยู่แบบขอทาน จากในวงังไปอยู่เป็นขอทานคะิดดูด้วยมันจากร้อยลงมาเหลือแค่บาทเดียวเนี่ยท่านก็อยู่ได้ดงนั้นคนที่ทําบุญมากๆกลับมารวยนี่กลับจะกลับจะต้องมีปัญหาที่จะต้องมาแก้ทีหลังเนะ่ยนี่อาจจะเป็นเพราะว่าเขาไม่ได้เขามีทานมีศีลแต่เขาไม่ได้ภ า, าวนากันไหมอาจารย์อาจารย์ก็เลยออกมาเป็นลักษณะนั้นคือไม่ได้คงอย่างนั้นเนะี่ยถ้าถ้ามีสมาธิอยู่แล้วก็คงจะก็คงจะไม่ติดกับความสุขทางด้านนี้ รูปเสียงกลิ่นรสสัตวมีก็ก็ก็มีไปแต่พอถึงเวลาที่มันจิตใจมันจะเรียกร้องหาความสุขทางด้านจิตใจแล้วมันก็จะเป็นตัวคอยมากระตุ้นให้ให้ออกไปแสวงหาความสุขแบบนั้นอย่างอาตมาเมื่อก่อนก็เคยมีความสุขกับการไปดูหนังฟังเพลงไปเที่ยวต่างๆ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 ดังที่ให้จิตติเราตั้งมั่นอยู่ตลอดที่มีทุกคร้งที่ทำที่มัติดเราจะต้องปฏิบัติให้มากก็ตั้งแต่ตื่นขึ้นมาเลยลองฝึกตั้งสติที่เราตื่นเลยจะทําอะไรให้รู้กับการเคลื่อนไหวทุกปีริยบหมดเลยเช่นเรตื่นขึ้นมาจะลุกขึ้นมาก็ให้รู้ว่าเรากําลังลุกยืนแล้วก็รู้กําลังยืนเดินก็รู้กําลังเดินกําลังไปทําอะไรก็รู้กําลังทำอะไรแค่อยู่กับปัจจุบัน อย่าไปคิดว่าตื่นขึ้นมาสี่โมงแล้วเดี๋ยวต้องรีบไปทํา ง, งานแล้วแล้วก็เวลาแต่งหน้าแต่งตัวอาบน้าถ้าบางทีก็ทํทาผิดผิดถูกๆทํบางที่ทำํำผิดบางทีลืมปิดหน้าต่างปิดประตูอะไรอเงี้ยแสดงว่าไม่มีสติมันไม่ได้อยู่กับการทํางานในปัจจุบันมันไปคิดถึงโอ๊ยตายแล้วเดี๋ยวไม่ทันแนละ้วอย่างเงี้ยนี่นะกับคนนู้นคนนี้ว่าอย่างเงี้ยนี่มันจะคิดไปเรื่อยๆต้องรงับตัดไอความคิดหลายลนัย้นออกไป ถึงแม้จะมันจะคิดปั๊บก็ตัดมันออกไปแล้วก็เออแต่ตอนนี้ต้องทำอย่างนี้ก่อนทำปฏิบันให้มันดีที่สุก่อนจะทําอะไรก็ทั้งทําให้มันเป็นขั้นเป็นตอนให้รู้ให้จิตรับรู้อยู่ทุกขั้นเป็นตอนไปไม่ใช่กายทําไปจิตก็ไปคิดเรื่องอื่นไปนั้นเรียกว่าไม่มีสติมันแสดงว่าเราไม่สามารถควบคุมใจเราได้ใจมันไปตามเรื่องต่างๆเราต้องดึงมันมาครับการที่เราจดให้มันอยู่นี่เพื่อ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 แต่เดี๋ยวก็กลับมาก็พูดโทรได้สองครั้งก็ไปเหมาแต่ <c oughs> มันก็อย่างเงี้แล้วมันก็เลยท้อแท้นั่งมาเท่าไหร่ก็ไม่ได้ผลทั้งทีมันก็เลยไม่ไ ม, ไม่ไม่มีความความดุเดินใจแต่ถ้าอยู่กับพูดโธรเพียงห้านาทีนี่มันรวมลวงได้นะมถ้ามันไม่กระชิดเรื่องอะไรเลยเนะี่ยแต่พุดโธพูดโทพูดโธพูดโธรมี้ะไรปเดี๋ยวมันรวมลวงให้แล้วรอมันรวมลวงแล้วมันบอกโอ้โหมันมันคุ้มค่ามันวิเศษจริง ที่มันรวมไม่ได้ก็เพราะมันดึงดึงไม่ให้ให้อยู่กับพุโทโธเพียงสามสิบวินาทียังไม่ได้ไมึงที่เดินไม่ให้ไปคิดมีเรื่องอะไรมาคิดเนะีย่ยอดี๋ยวว่าแตห้านาทีเลย mm hmm. เพราะมันไม่มีสติมันก็ทําไม่ได้อยากจะให้ทํามันก็ทําไม่ได้ตอนที่ฟังก็มันง่ายนะเพียงแค่ห้านาทีแห้กัอยู่คําว่าพุโทโธอย่างเดียวนะมันก็ทําไม่ได้เพราะมันไม่มีสติคอยดึงไว้สติก็เป็นเหมือนกับสมอเรือ เราอยากจะเจาะเรือให้มันนิ่งเงี้ยเราก็ต้องทอดสมอถ้าทอดสมอแล้วน้ำมันจะมาพัดเรือไปไม่ได้เพราะมีสมอคอยเด้งให้ให้เรือมันเจาะู่จิตของเราก็เหมือนกันต้องมีสติมันถึงจะอยู่ที่ได้ถ้าไม่มีสติแล้วเดี๋ยวมันก็อารมณ์เรื่องนั้นเรื่องนี้พัดมาก็ไปแล้วพอคิดถึงโน้นมันก็คิดต่อไปเลยเรื่อยไปเลยทั้งที่กําลังทําอะไรอยู่ตอนนี้ก็ไม่ได้สนใจกับการทำํำละ บาทีนั่งกินข้าวอยู่มาคิดถึงเรื่องงานเรื่องการที่ยังทำมาคิดไปคิดไปว่าเดี๋ยว่ากลับมาวัดหนึ่งดูที่เรื่องการกินอาหารของเราแล้วก็วัดไปคิดต่อแหละใช้ ว, วิธีพูดโท้ที่ถี่ๆนี่จะได้จะได้ประโยชน์กว่าไหมครั บ, <S <S บไว้มันจะได้มีช่องว่างก็แล้วแต่บางกรณีแล้วมั้งถ้าว่าถี่บางทีพ่อบางทีมันล่วงนอนก็ได้ก็ถี่น้อยหรือว่าถ้ามันมั น, ม, น, ม, นมันจิตมันจะแวบไปก็แช่ให้มันถี่ขึ้นก็ได้ แต่ถ้ามันจะถี่ด้วยจำห่างถ้ามันไม่มีสติมันถี่ยังไงมันก็ยังลาบไปได้แเพราัน <c oughs> ้นต้องฝึกสติอยู่ดีนี้ไม่พ้นหรอก้ <c oughs> าไม่ฝึกสติเราไม่มีทางที่จะภาวนาะได้ดีถ้าจะมัวคิดว่าวันหนึ่งจะมานั่งจะมาตั้งสติตอนที่นั่งสมาธิ อ, อย่างเดียวนี้นนจะเหนื่อยจะไมันก็ได้ผลเท่าไหร่แต่ถ้าเราฝึกตั้งสติตลอดวังเลยไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนสถานที่ใดทําอะไรเราก็มีสติอยู่กับในขณะนั้น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 ฟังฟังไม่รู้เรื่องแล้วฟังแล้วเบื่ออย่างเงี้ยมันยิ่งไปใหญ่เลยะนะการฟังธรรมก็มัน ก, มน ก, มนก็มันก็ผู้ผู้ที่แสดงก็มีมีมีส่วนที่จะช่วยเราได้ถ้าการแสดงเป็นการแสดงที่เต็มไปได้วยความด้วยเหตุด้วยผลแล้วก็ปัจจุบันทันด่วนคือเราสามารถที่จะเอามาเปรียบเทียบใช้กับชีวิตของเราในปัจจุบันได้นี่มันมันช่วยได้เยอะกว่าถ้าพูดเปในภาษาแบบ ราชาศัพท์พูดไปเมื่อครั้ง 2,500 กว่าปีมาแล้วนี้บางทีฟังแล้วมันไม่รู้เรื่องอ <c oughs> ย่างมานี่ได้ธรรมะเพราะไม่ได้เรียนไม่ได้อ่านภาษาไทยนะอ่านภาษาอังกฤษาอฤษาหารกีดนี่มันตัดพวกราชาศัพท์ไปหมดเลย <c oughs> อีทก็อีทไม่จะเป็นพระพุทธเจ้าหรือจะเป็นคนขอทาร์มมันก็อิทเหนนัือากันบา้ทมันเข้าใจมันง่ายดีเพราะมาอ่านราชาศัพท์แล้วมันงง บางเพราะเราไม่ค่อยเราไม่ได้ศึกษามาก่อนงั้นบางทีถ้าเราทนานาทางภาษาอังกฤษนี่อ่านหนังสือธรรมะทางภาษาอังกฤษมันมันเข้าใจง่ายกว่าอย่างตอนที่เราจะมาฝึกใหม่ๆก็ท่องเอ่อมหาสติปัฏฐานสูตรนภาษาอังกฤษที่ก็แปลเป็นภาษาอังกฤษท่องท่องไดทั้งสูตรเลยเวลานั่งสมาธิพี่ก็ท่องอันนี้ไปก่อนตอนตอน้ตนก็นั่งไม่ได้ก็เลยอาศัยการท่องในตัวเนี้ยแต่เป็นภาษาอังกฤษ ประมาณทักสี่สิบนาทีนั่งไปกระท่องพระสูตรนี้ไปพิจารณากายพิจารณาเวทนามันเป็นภาษาอังกฤษก็เหมือนประจาได้ทําให้เกิดปัญญาด้วยทําให้รู้ด้วยว่างานที่เราจะต้องทํามีอะไรบ้างแล้วก็อาศัยการท่องนี้เป็นการทําสมาธิไปในตัวแทนที่จะพุโทโธพุโทโธรุ่ดูโลหมายใจแล้วก็ท่องนี้ไปท่องพระสูตรนี้ไป ยังก็การสวดมนต์ก <lif el ike> ็เป็นการทำสมาธิอย่างหนึ่งเวลาเราเราจะทำสมาธิด้วยการสวดมนต์เราไม่ต้องนั่งพนมมือเราไม่ต้องไปนั่งนั่งท่าเพียรแล้วก็นั่งขัดสมาธิอน้วเรานั่งทำสมาธิแล้วเราก็ตั้งน้โมไปเลยแล้วก็สวดไปเรื่อยๆก็สําคัญให้มีสติอยู่กับการสวดไปแล้วกันน้โม่ตัดสระพะกวะโตอะหลังนี่ซมำมาวาราขาโตแล้วก็เรื่อยไปบนที่เราสวดได้แล้วก็สวดไป สวดไปให้นานอย่างนี้เราจะนั่งได้นานถ้าเราพุทโธพุทโธเดี๋ยวมันมันมันแวบไปอย่างอื่นนะเดี๋ยวนี้ก็เจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้แต่ถ้าเราสวดมันเป็นนานมันค่อยเจ็บนะเพราะมันมีมันจิตมันมีสมาธิอยู่กลางสวดแล้วมันจะไม่ค่อยมาสนใจกับเวทนาของทางกายแล้วพอสวดไปจบหรือได้สักครึ่งชั่วโมงแล้วเกือบสี่สิบนาทีแล้วมันรู้สึกมันเบานี่เราก็ดูลมเฉยๆมันก็ไม่ไปไหนกำหนดอรมหายใจเข้า มันก็อยู่ล ไ, ไปแล้วก็ค่อยๆสงบแล้วก็นิ่งไปแล้วก็อยู่ไปจนกว่ามันจะทอนออกมาอมาแล้วเราก็ลุกไปทําอย่างอื่นเวลาลุกก็มีสติก่อนจะลุกก็ลุกกาลังจะลุกลุกแล้วก็ลุกค่ายๆทำสติต่อไปจเจริญสติปัฏฐานแล้วกายกตาสติในเรียบบทสี่ก็ทําทไปเนี้ยเมื่อถึงเวลาจะกลับมานั่งก็นั่งต่อก็มีสติอยู่ตลอดเวลา เวลานั่งก็มีสติเวลาเดินยืนนั่งนอนแะ้วก็มีสติตลอดเวลาเวลาเดินไปถ้าอยากจะสวดมนต์ต่อไปก็ได้แล้วก็สวดได้แทนที่จะเอาใจไปคิดเรื่องนั้เรื่อง น, นี้แล้วก็สวดมนต์ต่อไปสวนในเรียาบทีนะเดินยืนนั่งก็สวดไปาบางองค์ท่านก็เอาพุโทโธคำเดียวในทุกเรียาบท น, นั่งสมาธิก็พุโทโธ ล, ลุกขึ้นมาเดินจงกรมก็พุโทโธ บาดกลอยก็พุโทโธบินทบายก็พุโทโธเวลาขบเวลาฉาาญอะไรก็พุโทโธมีพุโทโธกำกับอยู่ในใจไปเรื่อยเป็นเพื่อนไปเลยถึงแม้จะมีแวบไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้บ้างแต่มันน้อยพุโทโธมันมากกว่าถ้ามีพุโทโธไว้มากกว่าแล้วคิดเท่าที่จําเป็นเพราะคนเราต้องคิดเนี่ยเวลาจะลุกจะเดินเดินไปไหนมันก็ต้องมีมันก็ต้องรู้ว่ามีอะไรอยู่ข้างหน้าจะกินจะทําอะไรก็ต้องรู้อยู่ แต่มันก็ยังอยู่ในปัจจุบันแล้วก็มีพูพดโธคอยกากับไปอีกทางหนึ่งแล้วจิตมันจะมันจ ะ, นจ ะ, จะสงบสังัดเข้ามาเองดิเลตจะไม่มีทางออกไปได้เพราะไม่มีลูกเข้ามาคอยให้เราคิดไม่มีเรื่องที่จะไปคิดถึงไปทานู่นทานี่ไปมีนู่นมีนี่อะไรมันจะไม่มีโอกาสออกมาเพราะโดยธรรมชาติจิตมันคิดได้ทีละในแต่ละนนวินในขณะหนึ่งมันคิดได้เรื่องเดียว แต่ว่ามันค่มันหลายขณะด้วยกันมันก็สามารถรับไปรับมาได้ขณะนี้คิดเรื่องพุทธทอีกขณะหนึ่งก็ไปเรื่องนู้นแล้วมันก็ไปได้มมีความเร็วสูงมากก็เหมือนกับไฟฟ้าเหมือนไฟฟ้าและที่มันสลับสาย60สิบสายเชื่อมต่อภายในหนึ่งวินาทีมันสลับไปได้ทั้งหกสิบทางจิตมันเร็วกว่านั้นจิตเร็วกว่านั้นไม่มีขอบเขตนัมเร็วขนาดไหน เราถึงต้องใาศัยสติเนี่ยเป็นตัวมาคอยสกัดมาคอยมันจับมันได้แล้ว ม, มีสติแล้วต่อไปธรรมะอย่างอื่นจะตามมาตามหมายถึงธรรมในทางด้านปฏิบัตินะสมาธิปัญญาวิมุตตินี้ก็จะเป็นผลที่ตามมาด้วยสติพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่สตินี่เป็นธรรมที่ใหญ่เปรียบเหมือนกับเท้าช้างเท้าช้างนี่สามารถครอบรอยเท้าของของสัตว์อื่นได้หมดเพราะมันใหญ่กว่าเขาเพื่อน สติก็แบบเดียวกันเป็นธรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่สำคัญที่สุดถ้าไม่มีสติแล้วอย่าไปหวังเรื่องสมาธิเรื่องปัญญาเรื่องวิมุติต้องมีสติเป็นผู้นําังนันเราควรที่จะเจริญสติอยู่เรื่อยเรื่อยนี่เป็นสิ่งที่เราทำได้เพียงแต่เราไม่ทำหรือเราไม่รู้เท่านั้นเองเราลองไปฝึกดูนะพยายาม เตือนสติเังว่าตอนนี้เราอยู่ปัจจุบันหรือปล่าเราอยู่กับตัวเราหรือเปล่าหือเราไปวุ่นวายกับเรื่องนู้นเรื่องนี้บานทีเรื่องยังไม่เกิดเลยมาลองห่มลองให้เข้าเสดสื่อใจก่อนเลยมันยังไม่เกิดเลยมันเกิดแค่มันเกิดไปดีเห็นไหมตอนนี้เราอยู่ตรงนี้แค่มืออยู่ตรงนี้ง ต, ตอนนี้เราอยู่ที่นี่ไม่มีอะไรอ่ะก็ะมีแค่เนี้ยเแต่ถ้าไปคิดเรื่องนู้นเรื่องนี้ขึ้นมาก็วุ่นวายใจได้ พยายามฝึกไปเรื <K> ่อยๆแล้วต่อไปทําสมาธิก็จะจะจะจะอยู่จะสงบแล้วถ้าไปเจริญปัญญามันก็จะอยู่กับเรื่องที่เราจะให้มันเจริญจะให้พิจารณาเกิดแก่เจ็บตายอยู่เรื่อยๆมันก็จะไปอยู่เรื่อยๆมันขยายย่านนี้เกิดแก่เจ็บตายเราเองบางคนนุ่นบคนนี้ห้างดูไปเหมือนกันหมดคนนั้นเดี๋ยวก็ต้องแก่แล้วก้เจ็บแล้วต้องตายคนนั้นก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปเรื่อยๆมันก็เพลิน อาจายังสวดเป็นภาษาังกฤษไครับจำไม่ได้แล้วก็ตอนหลังก็ไม่ได้ไม่ได้สวดแล้วเพราะว่าพอเริ่มนั่งได้เองเวลาพอมเป็นสมาธิแล้วไม่ต้องไปเพียงแต่นั่งหลับตาเงียบๆก็นด้ไม่ต้องอาศัยเลยครับใช่ก็เหมือนกับเมื่อก่อนเราเรียนกอไก่ข้อไข่แล้วก็ต้องท่องไปก่อนเนี่ยแต่พอเราอ่านออกเขียนได้แล้วเราก็ไม่ไปตั้งกอไก่ข้อไข่แล้ว เราเปิดหนังสือมาปั๊บมันก็เข้าไปมันก็อ่านได้แล้วสมาธิก็เหมนกันเมื่อมันชำนาญแล้วเพลงหลับตากำหนดป็๊บมันก็นิ่งลนไม่ต้องไปไปอะไรก็มันไล่ก่อเก่กับใครหมดไล่ไม่ได้แล้วมันลืมหมดแล้ว่มันลเหมมแล้วมันลื้ก่นจะขออนุญาตถามคำถามของลกาตเองตอบคค่อยได้เลยนะหรืตอบ่ตอบไม่ดีอย่างะถามมาถามว่า เออคือไปอินเดียกลับมาใช่ไหมะนักบอกว่าประเทศอินเดียเนี่ยค่อนข้างยากจนอนนะไรเงีงเ้ย น, ยนะคะควก็เด<ม>ือดร้อนอะไรเงี้ะก็เหมือนทีเมืองไทยแต่จะดีกว่าเขาบอกว่าเออใช่ไหเ น, นี่ยที่เาผาู้จัดานพี่เขาผู้จ่าอะ<ม>ไรเงี้ยสอนอะไรเงี้ยก็ใช่งั้นก็ถ้าเทียบกับทางอเมริกาประเทศยุโรก็เทียบกันไม่ได้ที่เพราะว่า ประเทศที่ม mm. mm. like yeah, like ีผ yeah. like right. yeah. yeah. well so ู้เจ้ายังยังยงลาบากไงเกยัยกาทางอเมริกาทางโยอะเนี่ยเขาาสบายก็ไม่ยากจนคือความที่เด็กวัยรุ่นเาคิดว่าจริงๆจะบอกเขาว่าจรสบายอยู่ที่จิตใจอยู่ที่ใมากกว่าแต่ว่าวัยรุ่นเนี่ยเขาจะไม่เข้าใจเรื่องความสบายเอคําที่ดีคือความสะดวกสบายมีเงินทองใช้สอยแบบสบายแบบทั่วฝรั่งทัอะไรแบบนี้มัน่กนอนยากจนเพราะคนคีเอ๊า็าสนาก็ ก็ถ้าเทียบกับทางนั้นแล้วมันจะอธิบายยังไงก็เพราะว่าเขามีมิจฉาทิฏฐิไงเขาไม่มีสัมมาทิฏฐิเขาคิดว่าความสุขของมนุษย์เราอยู่ที่การมีสมบัติเจ้าของเงินทองมากแต่เขาไม่เห็นความทุกข์ที่มันตามมาหรือรอเขาอยู่ข้างหน้าเมื่อเขาได้ซึ่งช่วยอะไรไม่ได้ล่ะก็ต้องอาศัยให้เขาโตขึ้นแล้ว่อยไปเจอความทุกข์กับมันแล้วเถึงจะเราเพียงแต่ เตรียมพื้นฐานให้เขาเตรียมเครื่องให้เขาเตรียมยาไว้ให้เขาตั้งนั้นเองว่าถ้าเกิดมีความทุกข์ก็มาหาศาสนาเนี่ยศาสนาช่วยเธอได้แต่ตอนนี้ถ้าเธอยังยังอยากจะมีความสุขกับเรื่องราวต่างๆของเธอก็ไปทําไปเถอะแล้วสักวันหนึ่งเธอก็จะก็จะรู้เองเหมือนกับเราเมื่อก่อนเราก็รู้ด้วยตัวเองมากกว่าที่เราจะบอกเขาใช่ไหมใช่เรื่องของประสบการณ์ไงคนที่ไม่เคยกินยาพิษนี่ไปบอกว่ามันเป็นพิษเขาก็ไม่รู้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 เขาก็จะไม่เข้าใจเรื่องที่เราสอนเขาก็ต้องพยายามสอนไปเรื่อยๆเขาจะรับได้มากนะ้อยเพียงไรก็ต้ก็เป็นเรื่องของเขาเพราะเรื่องของจิตใจมันเป็นเรื่องที่ละเอียดเป็นเรื่องที่ต้องใช้ปัญญาพิจารณาเพื่อจะเห็น คือเขาไม่เข้าใจว่าไอ้ทำไมบังยากจนอยู่ทาไมยังรวยอย่างนี้ครับที่ทางนี้พิจารณาก็บอกว่าความยากจนกับความรวยไม่ได้เป็นตัวตัดสินของความสุขใจไงศาสนาพุทธนี่สอนเรื่องจิตใจไม่ได้สอนเรื่องหาร่างกายเรื่องเรื่องวัตถุท้าวของเงินทองลงไปสอนเรื่องว่าคนเราสามารถมีความสุขได้โดยที่ไม่ต้องมีอะไรอย่างคนที่ก็ออกด่วนเนี่ยเขาไม่มีอะไร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 ถ, ถ้าเขาถ้าเข้ามาพเดินตามเรามาก็เป็นบุญของเขาถ้าเขาไม่เดินตามเรามาก็มันก็เป็นกรรมของเขาเพราะเขาจะต้องเป็นคนรับรับผลของการกระทําของเขานั่นเองไม่มีใครจะรับผลของเขาได้เพียงแต่ว่าเรายังจิตใจยังอ่อนอยู่เรายังไปห่วงเขามากเกินไปเราไม่มีธรรมะเราก็เลยไปวาดวิตกต่างๆนาน า, นาก่อน ที่มันจะเกิดขึ้นด้วยซ้ำไปบางทีมันอาจจะไม่เป็นที่เราคิดก็ได้ครั้งสวันหนึ่งอาจจะเขาจะฉลาดขึ้นก็ได้เพราะตอนนี้ก็อายุไม่มากเด็กก็อย่างนี้แหละทุกคนก็ต้องอยู่ตามภาษาเด็กไปก่อนยกเป็นพวกเด็กที่เป็นอัจฉริยะพวกนี้เขาคำถามเขาอือยเลยตอบไม่ถูกจะตอบยังไงที่ที่คถามไม่รู้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 เแต่เราต้องทําตัวเป็นตัวอย่างให้ดีก็เลาะกันอย่าไปจีบ <laughs> <laughs> อ, อย่าไปจีบเล่ามอยยาให้เขาเห็นอย่าไปทะเลาะกันให้เขาเห็นอย่างเงี้ยบางทีเราสอนเขาโดยที่เราไม่รู้ตัวแแม่ปูสอนลูกปูแม่ก็อยากจะให้ลูกเดินตรงๆแต่ตัวแม่มันก็เดินเทะไปเขมาแล้วลูกก็เดินเหมือนแม่ก็ไม่เข้าใจ <laughs> เอาถวายของนะ้ไหเนี่ยค่ะว่าปัญหานินึงค่ะอย่างูชายอ่ะ โอเคข้อศาสนาแต่ว่าอย่างนี้เ็าจะเห็นเขาจะรู้ส่วนระยะท่านมากอย่างสมมติจะพรุ่งนี้เป็นแขกออสนี่จะเป็นอะไรนะนโมตรัสแล้วพอไม่ได้เนี่ยเขาจะบอกว่าศาสนาไม่ช่วยอะไรเขาช่วยจะสอนเขาอย่างไรนะเราต้องต้องใจเย็นๆของบางอย่างมันต้องใช้เวลาถึงจะเห็นผลและอย่างท่านหลวก็ไม่ให้ลูกนี่เป็นท้าสีดิ้นรนลงไปรู้สึว่าเราฝืนเขามากคืออยาพยายามบ่อยเขามาทาบุญแต่เขาไม่ทำทงนี้เราพอเราบอกเขาไม่ทาเราฟับเลยอ่ะ ก็ไม่ตัดมาถึงก็พยายามไปเรื่อยๆแต่ว่าอย่าไปทุกข์มันทาให้เราทุกข์ต้องต้องคิว่าความทุกข์มันเป็นปัญหาของเราไม่ใช่ของเขาเราไปอยากเกินความสามารถเกินความความเป็นความเป็นไปได้ต้องอยากให้มันพออยู่กับความความเป็นไปได้เราก็ต้องพยายามเหมือนกับปลูกต้นไม้ไม่ใช่ปลูกวันนี้แล้วจะให้มันออกลูกออกผลทันทีแต่ถ้าเราพยายามสอนกับาไปเรื่อยๆพย า, ายามไปไเรื่อยๆใจเย็น ให้มีคันตินะสรุปว่าเราเป็นเพราะเราขี้เกียจตามตรงเลาไปงี้ไม้พวกเราขี้เกียจชาติมีเราแก้สร้งางมันะแล้วก็เียวแค่ต่อชาติได้กนะ็ทาไปเรื่อยๆก็แล้วต่ว่าการทาไปแล้วก็เป็นการทาบารมีไปในตัวแล้วมันจะออกดอกออกผลชาตินี้ไม่ชาติน้าก็อยู่ที่การสะสมบารมีของเรานี่ยและถ้าไม่ไมทำไปแล้วก็ไม่ขาดทุนและอย่างการที่ว่าอย่าง คนใกล้ตัวเราไม่ไม่นับตัวศาสาแล้วเราทำเราอฏิญาณใหขใจได้เนี่ยคือทาให้เขาเปลี่ยนได้เนี่ยไม่ได้ยเราไม่มีวิธีเลยจะต้องให้เขาเปลี่ยนตัวเขาเองถ้าเปลี่ยนได้พระเจ้าเเปลี่ยนพวกเราเป็นเป็นาหลานเปนหม ว, แ ล, ว <c oughs> แล้วมีวิธีเขาสร้างบารมีตัวเองทตัวเราเป็นตัวอย่างทาตัวเราเป็นตัวอย่างเดี๋ยวเขาจะเกิดศรัทธาเร่งสายเราเอง เวลาเขาทําอะไรให้เราโกรธเราเอย่าไปโกรธเขาเนี่ยแล้วเขาก็จะเขาก็จะเห็นผลว่าอ้ศาสนาดีอย่างนี้เองทำให้มีเราเดี๋ยวนี้ไม่โกรธเราเลยตอนนี้เดี๋ยวเขาศรัทธาเองใช่ไหมคุณแม่จันครับอ้าายอยเขาถามเนเสียเขาไม่ดี อ, ะอ่ะบอกว่าถ้าเกิด เ, ออเวลาเราเดินจงกรมเนี่ยแล้วเราฟังเทปไปด้วยเนี่ยจะได้ได้ไ ด, ไ ด, ไดก็เป็นการฟังธรามแก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 เป็นธรรมะขึ้นมาแต่ถ้าเรายังคิดไปในทางโลกทางสงสารทางโลกกิเลสอยู่เราก็ต้องเอาธรรมะเข้ามาแต่กัดไว้ก่อนโดยอาจศัยฟังเทศน์ทางดังของคนอื่นแต่เราฟังที่ต้องฟังให้เกิดความเข้าใจถ้าเกิดความเข้าใจแล้วต่อไปมันจะอยู่ติดใจเราถ้าต่อไปเราก็จะเริ่มคิดไปในแนวนั้นแล้วเมื่อเราเริ่มคิดของเราเองได้แล้วต่อไปเราก็ไม่ต้องฟังก็ได้เพราะเราคิดนี้มันจะได้เยอะกว่ากว่าวที่ฟังเพราะที่ฟังนี้ ท่นเปรียบเทียบเหมือนธรรมะที่พระเจ้าทรงแสดงเหมือนน้าในตุ่มแต่ธรรมที่จะเกิดขึ้นจะในจิตในใจที่เกิดจากการพิจารณานี่ยเป็นเหมือนน้าในมหาสมุทรมันมากมายกายกองก็เหมือนกับที่เมื่อกี้บอกเวลาเทศเนี่ยถ้าเทศแบบแบบจํากัดว่าจะต้องเทศเรื่องนี้เรื่องนี้มันก็จะเหมือนน้าในตุ่มแต่ถ้าเทศแบบไม่ต้องจํากัดปล่อยให้เสรีมันจะพูดเรื่องอะไรก็ปล่อยมันไปมันก็ไปได้ทั่วหมดความคิดของเราก็แบบนั้น่ะ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 แต่ถ้าจียาสลบให้เขาแล้วดมยาให้ก็แล้วก็สลบไปเนี่ยก็จะนิ่งจะผ่าจะตัดยังไงก็ง่ายการพิจารณาธรรมก็แบบเดียวกันถ้ากิเลสยังไม่นิ่งเนี่ยพิจารณาธรรมเดียวเดียวมันก็มาแยง้งมาขัดมาเถียงมาต่อต้านแล้วเดี๋ยวมันก็หลอกให้เราไปคิดเรื่องอื่นไปเฉะนั้นการจะเจริญปัญญาได้เหตุได้ผลได้เป็นกอ่อนเป็นกรรมจึงต้องมีมีสมาธิก่อนเราเรียวกว่าเป็น ภาวนามายปัญญาคืภาวนาไอ้ปัญญาที่เกิดจากการได้ยินได้ฟังหรือการคิดเองเนี่ยมันไม่ต้องมีสมาธิก็ได้อย่างวันนี้เรามาฟังกันก็มีสมาธิแต่ไม่ต้องไม่ต้องลึกคือพอมีสมาธิกับการฟังมันก็ได้ประโยชน์แต่มันยังไม่เกิดทําให้เกิดเป็นภาวนามายปัญญาที่หลวงตาบอกเป็นสมาธิไปเป็นปัญญาอัตโนมัติเนี่ยมหาสติมหาปัญญาเนี่ยมันจะต้องเกิดจากการที่เรา ได้สมาธิแล้วเราเริ่มพิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตาเกี่ยวกับรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐับพะเกี่ยวกับรูปเวทนาสัญญาสังขารมิจารณแล้วมันจะเชื่อมต่อกันไปเองแล้วมันจะแผ่กระจายไปเหมือนที่คุณบอกว่าทํำของวเจ้าหลายอย่างความจริงมันก็มันก็มันก็เกี่ยวดองกันสติปัญญามันก็ไปชนกับอริยสัจปีอริยสัจสก็ไปชนกับใจรักมันก็ชนกันหวนแล้วมันก็จะเข้าใจเองมันจะเห็นเป็นภาพรวม ตอนนี้เราเห็นเป็นชิ้นเป็นอันเรายังไม่เห็นมันมาประติดประต่อกันแต่ถ้าเราเริ่มได้มีสมาธิแล้วเราเริ่มพิจารณาปัญญาไปแล้วต่อไปมันจะเริ่มเห็นภาพรวมมันจะเข้าใจว่าธรรมงพระเจ้าเนี่แปดหนึ่งี่พันว่าธรรมะขันนี้ชี้ไปที่เดียวเท่านั้นก็คือทุกขและวิธีดับทุกเท่านั้นเองเหมือนกับน้ำในมหาสมุทรจะ ก, กว้างใหญ่ไพศาลขนาดไหนก็ตามก็มีรสชาติอันเดียวเท่านั้นก็คือความเข็ม ในธรรมะของพระพุทธเจ้าจะแสดงปีบทกี่บาทมากน้อยเพียงไรก็ชี้ไปที่ทุกข์กับการดับทุกข์นั่นเอก็คือที่พระอริยสัจจี <c oughs> แต่ในเบื้องตอน้นถ้าเรายัางคิดไม่เป็นก็ต้องอาศัยฟังธรรมะไปก่อน <c oughs> เราพวกเราอาจจะโชคดีเพราะเรามีเครื่องไม้เครื่องมือที่ในสมัยโบราณก็ไม่มีคือเรามีเครื่องฟัง เราสามารถเสียบใส่หูแล้วเราก็เดินฟังไปได้อยู่ที่ว่าฟังเปล่เปล่าหรือฟังแบบทับที่ในหม้อแกงหรือฟังแบบลิ้นแกงใชนะมันฟังได้สองแบบฟังใส่หูแต่ไม่เข้าใจมันก็เหมือนกับทับที่ในหม้อแกงนะฟังแล้วมันต้องเข้าใจด้วยคือไม่ต้องเข้าใจหมดแตแต่มันต้องเข้าใจบางส่วนนะไม่ใช่ฟังทั้งเรื่องถามว่าได้ข้อความอะไรบ้างนะไม่รู้เลย ไม่เข้าใจเลยก็ไม่ได้ตยังไม่ได้เทปนะคะมเที่ท่านหนังสือเ่หมาแจวันนี้ปก็ได้้จ้อันนี้เล่มสิบสองเลเ่มเมื่อกี้ห็นนีใครยาดเล่มสิบเอ็ดนเดียก็ตามไปเอาที่ีดนะฉีอมแอันนี้เล่มสิบสองไม่ได้อ ลูกดูมาลูกใส่ให้เขาใสเข้าไปในเว็บที่ท่านเป็นอะไรอันที่เขาพูดโทรศัพท์กับท่านยู่ไหมเอามาจะเอาไปรูมใส่กับแม่ที่นามร้องค่ะแล้วลึกถามหน้าลูกมาใช่ะอันนั้นที่ท่านอาจารสอนของชอบมากเลยได้ได้ได้ใส่โยมอาจจะส่กับการต่อต่อไปนะอันนี้อันพิมใหม่ที่ท่านอาจารย์ยังไม่ได้พิมลงเล่มอันนี้พิมลงมาเก็บพิมแป้ ก็ยยมเดียวก็อ่านดูไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าอาจารางก็อ่านมาแล้วทมาแล้ว่องของของญาติโยมที่มาทาบุญก็จะเริ่มที่การสองวยี่สิบแปดวันอยู่ในเล่มที่สิบปด เข้าเว็บไปถูกแต่มันเข้าได้สองที่นะมันมีที่อยู่สองที่หน้าเดียวกันอยู่เนี่ยหน้าเหมือนกันเป็นงแต่ว่ามันเอาไปใส่ไว้สองที่เผื่อที่หนึ่งมันเสียที่หนึ่งก็เข้าไปแทนกันได้ก็ะยอยพิมพ์ไปเรื่อยปีละสองเล่มปีหนึ่งพิมพ์สองเล่ม ไม่ติดสายนี่ของเองหลายีองสามปีไม่เคยมีแจกแต่ที่อยู่ในเว็บแ้วท่านไปต้องกเอาไปพิมพ์แจกก็พิมได้เอาไปพิมพ์แจกของเราเองก็ได้แดงงเราทเาที่เราชอบกันไหนเราจะเอาไปที่เราเอามาเรามาพิมเป็นเมเราตั้งที่เราเอามายกได้ แต่เราโอตเดี๋ยวก็โดดข้ามท่านเลังใจอะไรอ่ะก็ไม่เป็นไรเราก็ทำของเราไปส่วนญาติโยมก็แกไป อ, ก อ, กอีกส่วนหนึ่งก็ได้ไม่ได้ไรไม่ไม่ไม่มีปัญหาอะไรกลังใจเราก็แจกกำลังเรื่อยๆแต่โยมชอบเล่นไหนทุ่งไหนอยากจะไปพิมพแกก็ส่วนของญาติโยมก่อนก็ไปพก็ได้ไ ยังจะเอาคำาต่อมาใส่คำถานที่ด right. right. ีจังเลยคำถามตอบที่ถามกันฟาแล้วท่านอาจารย์ตอบค่อนข้างดีก็มีแก้บ้างนิดหน่อยนะครับมันไม่ไม่ได้แก้อะไรแต่ให้มันไม่ปินภาษาเข้าใจง่ายแตาตอบที่พวกเราถามเนท่านเาแล้วาเราปลคือดีแดงอยู่ในการ2องยยขึ้นไปนเริ่มที่18บแนนี้ขึ้นไปตามละย8่สยบเอ่ ยี่หกยี่บเจ็ดยี่แปดกรเริ่มต้นสองยี่บมีคำวากำลังใจที่ส8บแปถ้าเข้าไปในเว็บมันจะมีบอกกำลังใจหนึ่ง6องสามสีห้กเจ็ดแสิบแปดแล้วก็ไปคลิกที่เลขส8แแล้วมันก็จะเข้าไปหน้าสารมันมีสองร2อยยี่บหกสองร้อยี่เจ็ดยี่แปดองร้อยยี่หชื่อว่าภาวนาท่านที่2ชื่อว่าโาจารย์งคำสอน หัวใจของคำสอนเราจะคาสอนแล้วอธิษฐานนี่ก็จะเป็นไม่มีอะไรเป็นของเราของยี่นิคมแล้ว เ, เข้าไปแล้วในนั้นก็จะ ม, มีอย่างที่เนี่ยขัดอย่างเงี้ยเดี๋ยวคราวหน้าก็เข้าไปเยก็ทยอยเข้าไป เดือนยังก็เข้าไปทีละกันกทีละกันอาตมาก็ดีไม่ต้องไปเทศไม่ต้องไปอัดเทศก็มี ม, มีงาน <S <s. <S มีงานป้อนอาศัยอาศัยญาติ ย, <ADHD> า ย, ายามเป็นเหตุแล้วก็ได้พูดธรรมะที่แปลกไปกว่าปกติอามาคเดตะพูดอยู่ข้างล่างก็จะพูดอีกแนวนว่าส่วนใหญ่ท่านเขาก็ยังไม่ค่อยเข้ามาลึกเหมือนกับพวกเราพวกเรานี่รู้สึจะมาลึกกว่าเรื่องภาวนานี่พอพูดได้มาก โค้ดทางน้นก็พูดได้เพียงบางข่างบางขา่าวใหญ่ก็พูดแบบเรื่องบุญ เ, เ, เรื่องสอนเรื่องเรื่องศีลเรื่องทานมากกว่าก็ได้ก็จะได้ธรรมะอีกแบบหนึง่งถึงบอกว่าถ้าโยมแค้ค่ว่าโยมเห็นอ่านแล้วชอบแล้วที่ว่าอยากจะเผยแพร่่อนก็เอาไปคืนแจกได้เลยของที่อยู่ในเว็บนี้ธรรมาตรวจเรียบร้อยแล้วก็เอาดามไปให้เขา เราเราพอสิ้นปีนี้จบกันนี้ไปแล้วให้รวมเป็นที่ลำว้าห้าครั้งแล้รวมเยี่ยมกันเดแล้วแต่งันนี้ไม่ไม่ได้ไม่ได้เชื้อเชิญหรืออะไรเป็นแต่พูดอนาตทำก็่ด้พูดอนุญาตพูดอนุญาตให้รวดไว้ล่วงหน้าก่อนฉันลวงก็อยากจะเอาคอมพิวเตอร์มาถวายเพราะถ้าอยากจะรอ อตาตมาก็มีได้มาละมีคนถวายนอบุ๊กมาให้เครื่อ ง, องพอดีเชาไปแล้วเช้าไปแล้วพอดีแต่ก็ไม่ได้ใช้เพราะว่ามันไม่มีไฟมแล้วไม่อยากจะฮิ้วมันไม่ชาดจุ่มลงไปชาดมันก็เลย ต, ตอนนี้ก็เลยเอาไว้เอาไว้ก่อนอไว้ทำนองก่อน ต, ตอนนี้ก็กำไปหาเครื่องชาดให้อันหนึ่งไว้สำหับที่ไว้ข้างล่าง้ำหรับเพียงแต่เอาตัวแบบลงไป แบบไม่หนักใส่ใส่ย่ามเดินตอนเช้าเดินลงไปแล้วก็ทได้อย่างนี้ก้อนหนึ่งก็ใช้มาได้ประมาณสักสามชั่วโมงสาชั่วโมงสี่ชั่วโมงถ้าเราใช้แบบประหยัดนะถ้าเราตั้งแบบแบบว่าใช้ไฟน้อยๆเนี่ยมันก็เวลาเวลาเวลาถ้าดัสามก้สามก้อนแล้วไม่เป็นไรถ้าต้องการก็จะบอกถ้าต้องการก็จะบอก แล้วมันใช้ไฟมันสบายใจกว่ามันไม่ต้องมากังวลเกี่ยวกับเรื่องชาติแบบอะไรแเราเวลาลงไปทํามันก็สง บ, สงบเงียบเราก็มีห้องของเราไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวอะไรกับใครตอนเย็นๆแทนที่จะลงไปตอนเช้ามืดก็ลงไปตอนหัวค่ำแทนแถึงงั้นก็ประมาณตั้หกโมงกว่ากว่าหน่อยถ้าทำไปถึงประมาณสักสี่ทุ่มอะไรอย่างนแล้วก็พักบางทีถ้ามีมากเลยบางทีเต็มแล้วตีสามก็ทําต่อ แทนทางไปออกไปบินระบายนไม่ทราบเอเมังท่านอาจารย์เสร็จกลับไปนะแล้วก็หลดหนก็หาไปกบมใหม่ก็อย่างเยมาเตลังกถึงต้องเข้าวัดบ่อยๆเนี่ยพาะ่าเจ้าท่านกหนดให้เข้าวัดอาิวัดเข้าวัดอาถิละครั้งเลยลครั้งก็เข้าวัด อล้มันก็เหมือนกับเป็นการชาร์จแบบดดเลยแดดมันอยู่ไม่ค่อยนานก็ อ, อยู่กับครูบาอาจารย์ท่านต้องเทศอยู่เนี่ยอยู่กับนุตาสมัยแรกๆนี่ท่านสี่ห้าวันท่านเรียกประชุมคือพอเวลาฟังแล้วมันมีกําลังขี่กํนาลังใจไปนั่งสมาธิได้ไ ด, นนดดงงได้นานเด<า>ินจยกงมได้นานพอพอสักสองสาวันฝ่มันแผ่วละว<า>แผ่วละเดี๋ยวท่านก็ชา์จให้เราอีกทีกระตุ้นให้เราอีกทีถ้าอาศัยฟังเดี๋ยวนี้ต้อมีที่ห้าสายฝั่งอย่างนี้แทน ท่านบอกเวลาค<า>ุกยังไม่ถึงเดือนหลวตาท่านบอกเวลาฟังหลวงปู่มั่นเทศเนี่ยมือนก็ท่า น, นเปิดตู้พระตายไปดูหให้เราดูของที่มีอยู่ในตู้ว่ามีอะไรบ้างพอท่านเทศเสร็จท่าือนกันปิด <c oughs> <c oughs> แต่ความจํำเรายังพอจะจําได้ก็ทําให้มีเกิดมีความกาลังคุกกำลังใจะใ <c oughs> น, นการฟังธรรมจึงเป็นเป็นมงคลอย่างยิ่งไงการเลนะธรรมะธรรมะเนี่ยเกิดกำลังการรู้กำลัง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 แต่ถ้าฟังแล้วไม่ปฏิบัติมันก็ไปไม่ถึงเหมือนกันตอนท่านยังมีพระอยู่สักกี่องค์ครับจรยือได้ท่านนับแค่ยี่บหกรือยี่บเจ็ดรูปตอนนี้แล้วตอนค่อยๆเอ้ยไม่ใช่ยี่ผมนกี่สิเจ็ดสิบสิบหกสิบเจ็ดรูปตอนนี้ไปอาตมาไปปีสองพันห้า้สิบแปดก็รับพระใหม่ปีนั้นพรษานั้นที่อาตมาไปนึกถึงท่านรับสี่รูปเท่านั้นที่ได้อยู่นะแล้วก็ แล้วต่อมาท่านก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นนเพราะว่าครูบาอาจารย์ที่อาวุโสกว่าหลวงตาท่านมองหน้าภาพไปพระที่จะหาครูบาอาจารย์พึ่งพาการก็ไม่มีที่ไปก็ต้องไปไปไ ป, ไปที่วัดท่านก็เลยรับมากขึ้นจากสิบหกสิบเจ็ดก็ตอนที่อาวุมาออกมาก็เกือบสามสิบแล้วนั่งตามเนี่ยพีเพราะถ้ามีมากมันก็มันก็ มันก็มีปัญหาได้เหมือนกันเพราะถ้าเกิดมันไม่ค่อยสนใจก็รุ่งปฏิบัติมันก็จะมาทำให้มันมันทำให้ดูแลยากควบคุมดูแลยากถ้ามีแล้วก็จะมาทำให้เสียได้ถ้าน้อยน้อยมันดูแลใกล้ชิดกาท่านจะกล้ใล้ท่านจะจำหน้าได้รู้ว่าใครเป็นใครให้ความดูแลได้อย่างใกล้ชิดควบคุมคุณภาพได้ดีกว่า แต่เมื่อมันีความจําเป็นก็ต้องก็ต้องเปิดเปิดโอกาสให้ผู้อื่นไปนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่อาก จ, จะมาตอนนั้นที่ลาท่านมามามามาดูแลพ่อท่า น, นไม่สบายรวมพ่อท่านเป็นมะเร็งก็เลยพอหลังจากที่พ่อท่านเสียแล้วเผาศพท่านเสร็จแล้วก็ยังเหลือประมาณเดือนสองเดือนนึงที่จะเข้าสงสายก็เลยที่ว่าลองอยู่ข้างนอกบ้างเพราะตั้งแต่บวช้วไม่เคยออกมาข้างนอกเลย ใครอยู่กับท่านก็สบายทุกอย่างเพราะอยู่ในวัา น, นี้ไม่เราไม่ต้องไปไปติดเชิญกับอะไรเลยว่าท่านก็ดูแลทุกอย่างแทนเราหมดญาติโยมศรัทธาใครมาก็ไม่ต้องมารบกวนเรามีเวลาให้เราได้ภาวานาเต็มที่แล้วก็อีกอย่างนึงก็ที่ก็มีจำนวนจำกัดแล้วก็มีพระอยากอยากเข้าไปอยู่มาก ก็เลยคิดว่า เ, าเราไม่กลับไปก็มีโอกาสให้พระเขาได้อยู่ <c oughs> เพิ่มอีกรูปหนึ่งเราก็อยู่มาติดต่อกันก็เก้าพรรษาแล้วก็เลยลองลองลองลองมาอยู่ที่อื่นบ้างก็ทราบว่าสมเด็จพรสังฆราชมาสร้างวัดอยู่ที่ที่นี่พอดีก็อยู่ใกล้บ้านร่างทรงมาอยู่ที่พัทยาก็เลยคิดว่าไหนลองมาอยู่อยู่อยู่อีรูปแบบหนึ่งด่ว่าจะเป็นยังไง ก็เลยอยู่มาแล้วก็เลยอยู่มาตลอดไม่ได้เปไหนมาอยู่ตั้งแต่ปลายปี2527ตอนต้งก็อยู่ข้างต่ข้างล่างอยู่อยู่2พรรษายังไม่ได้ขึ้นมาข้างบนแต่เพราะนั้นร่างกายสุขภาพไม่ไม่แข็งแรงมันเป็นไข้อยู่เรื่อยๆเลยเลยไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะอะไรตอนหลังก็มาทราบว่าเพราะนอนกับพื้นพื้นปูนนี้ mm hmm. มันเยน็น แล้วมันร่างกายเรามันคข้ๆงว่ามันความอกอยุ่นไม่พอตอนหลังเลยต้องหาเตียงแล้วเป็นค่ายเป็นเอาไม้ปูผ้ามันแล้วตอนหลังจากนั้นมันก็ไม่เป็นไข้เมื่อวานมันจะเป็นไข้ทําซึ่งอากเสพอยู่ในยเสบคอเป็นไข้ก็เลยกลัวเวลาพ่อมาอยู่ในป่านี้มันยิ่งชื้นใหญ่ก็เลยต้องอยู่ข้างล่างที่มันโล่งๆหน่อยแต่ตอนหลังมันทราบ ว, ว่ามันเกิดจากที่เรานอนบนพื้น กติทางนี้มันไม่ได้เป็นพื้นไม้แบบนี้มันจะเป็นพื้นปูน้ปูนนีนก็เย็นพอพอไม่ได้นอนกับพื้นแล้วมันก็ไม่ได้เป็นไทยเมืเ่อท่านทึ้นมาอยู่บนนี้ท่าน่ขึ้นมาองคเดียวเหรอคะคือที่นี่มีพระอาจารย์จากวัดถ้ำของเพลิชื่อพระอาจารย์วังท่านเป็นผู้มาลุกเบิกมาพัฒนาคือวัดยาญเมื่อก่อนนี้ไม่มีพระผู้ใหญ่อยู่เป็นหลักพระพระที่เป็นพระกรรมฐ า, านไม่มี พอดีปีนั้นขาดพระก็มาที่เป็นหัวหน้าจะมาดูแลวับยาพอดีท่านอาจารย์วันท่านผ่านมาท่านพักอยู่ที่วัดช่องลมที่ที่หลวงตาเคยไปพักอยู่แล้วพอดีที่นี่ไม่มีพระผู้ใหญ่เขาก็เลยสมเร็จก็เลยไปขอพระจากวัดช่องลมมาพอดีท่านยังไม่ได้ที่ฐานพรรษาท่านก็เลยมาอยู่ท่านก็พาลูิษลูกหาพระมาจากวัดตำกองเพลงมาตอนต้นก็อยู่ข้างล่าง ก็พาปฏิบัติแบบพระป่านะ่ก็อยู่ฉันมืเดียวบินทะบทัดอะไรเหล่านี้แล้วต่อมาทางวัดช้างล่างก็เริ่มพัฒนาสร้างโบสถ์สร้างอะไรสถานที่ก็เริ่มวัตถุ ก, ก็เริ่มมีมากขึ้น mm hmm. ท่านก็เลยเห็นเขาอยู่นี้ว่ า, วาเป็นที่ที่สงบน่าจะขึ้นมาบาเพ็ญภาวนาท่านะก็เลยขออนุญาตสมเด็จพอดีมญาติโยมพระถวายไม้เก่าที่เขารีมาด้วอจากบ้านเองถวายมาให้วัด ท่านก็เลยอาศัย ญ, ญาติโยมพระเองช่วยกันแบบขึ้นมาตอนนั้นไม่มีถนนมีแต่เป็นทางเดินป่าขึ้นตอนนั้นข้ากําลังสร้างเขื่อนกันน้ำอ่างเก็บน้ำอยู่ข้างล่างตอนนีน้ก็เลยปีนั้นรู้สึกจะเป็นปี25ปี26นะปี26ถึงขึ้นมาพัฒนาโรงสังนีตแล้วก็เลยท่านก็อยู่ท่านก็อยู่บ้างไปบ้างแล้วช่วงที่อากจะมามาอยู่ครั้งแรกตอนนั้นท่านก็ไม่อยู่แล้วท่านท่านไปยแล้วเพราะท่าน เป็นเบอร์พระทดงท่านก็ไม่ค่อยอยู่กับที่นานอยู่ได้แค่สองสามปีท่านก็ย้ายไปบนเขาก็เลยก็ไม่มี ก, มมก็มีพระที่อยู่ข้างล่างขึ้นมาใช้เป็นบางครัง้งบางคราวมีอยู่สองสามรูปแล้วสมเด็จท่านก็มาเวลาที่ท่านมามามาปฏิบัติติที่วัดยานท่านก็จะขึ้นมาทํานับบนเขานี่ท่านอยู่บนย้ดใช่ไหมบนยอดมีมีมีมีกุฏิที่สร้างถ่อให้ท่านพระอย ตอนนั้นก็มีอยู่หลังไม้หลังหนึ่งไม้เก่าๆแล้วตอนหลังก็มีสร้างอีกที่หน้าผาให้แล้วก็มีสร้างอีกหลังมีท่งทางนี้ให้แต่ท่านก็ยังชอบหลังเล็กๆหลงมาอยู่ไอชเมยเขาบอกด้านโน้นน่ากลัวมากอาจะได้เข้าไปอยู่เดี่ยวเขาบอกโอกลัวจะตายไอเอยู่ตรงนี้เนี่ยนี่นก็เดินไปนี่กบอกไม่เย็นลงว่าไม่มีใครเลยนี่ขึ้นแบบอย่างนี้เองเนี่ยขึ้นไปนี่เข่ทันเราเพรากลัว <c oughs> มันอยู <ral> ่ในตัวเขาอ่ะเดิน <człowie> ข <k> ึ้นไปไก่เลรอท่ไม่เราก็เป็นใบไม่กี่ท่านเองก็เห็นละติอยู่ญญาแต่มันอยู่ฝ้าเนอ๋อก็มีก็แต่เป็นสัตว์เล็กสัตว์น้อยพวกงูพวกอะไรนี้เคยทานองุ่นตาผมกาเคยมาพักที่นี่สมบูมากหลวงต่ท่านเคยมานอนที่สาลานี้ตอนนั้นก็เสกว่าปีน้าธารายังพักอยู่ข้างล่างอยู่แล้วหลวตาท่านมาพักอยู่ที่สวน อที่สวนของวัดช่องลมวันนท่านป่วยแล้วท่านป่วยเป็นโรคหัวใจแล้วถ้าว่าวันนั้นหัวใจท่านกําเริบตอนบ่ายๆท่านก็เลยให้เย้าให้โยมก็าขับรถมาส่งท่านแล้วพอดีเจออาตมาอยู่ข้างล่างเพราะท่านหลวงท่านอยากจะขึ้นมาพักบนนี้อาตมาก็เลยพาท่านขึ้นมาพอท่านลงจากรถทัณฑ์ชีมาเอาตรงเนี้ยพระตัวเนี้ยล้วก็หามุ้งหาเสือหาอะไรถวายท่านแล้วท่านก็สั่งว่าท่านทุกท่านไม่ไปบินรบาดนะท่านหัวใจไม่ดี มาก really ็ไม่ม ala ีใครรู้ญาติโยมที่วัดก็ไม่รู้ใครก็ไม่รู้นะเราก็ไม่บอกเราเพ่าเราเช้าก็ท่านต้องการมาหาพระสงบไม่ต้องการให้ใครมารบกวนเพราะตอนเช้าจะมาทํากิจเสร็จก็เดินขึ้นมาก็พอดีญาติโยมก็มารับท่านกลับไปท่านก็มาพักที่คืนหนึ่งแต่ท่านเคยมาครั้งแรกทางญาติโยมที่อยู่ข้างล่างก็นิมนต์ท่านมาเ้าก็เลยจัด ที่พระอยู่ท้างล่าเป็นกุฏิของสมเด็จพระสังฆราชเนี่ยเป็นพระทับเยอะแต่ท่านก็บอกมันหนีอย่ามันอย่างนี้ท่านชอบมากกว่าท่านชอบอย่างนี้มากกว่าท่านเคย่าว่ามีลิงแล้วท่านบอกพระเจ้าว่ามันก็มายุ่งตลอดคุยที่นี่มลิกเมีเยอะเอ็งก็บอกมีแก้มีอ พวกเก่งกวางนี้เป็นสัตว์ที่เขาเลี้ยงไว้กขาเพาะเลี้ยงแล้วก็เอามาปล่อยอย่างเงี <Okay. S 2> ้ยคือเป็นแค่ว mm hmm. ่ า, เ, าเป็นโครงการของสมเด็จพระนางเจ้าที่ต้องการที่จะขยายพันธุ์สัตว์ mm hmm. ก็เลยให้ฝ่าไม้เข้ามาตั้งสถานีขยายพันธุ์สัตว์ที่นี่ mm hmm. เอาพวกสัตว์ที่มันใกล้ศูนย์พันธุ์เช่นพวกนกยูงไก่ฟ้าพวกเก่งกวางอะไรแบบนี้มามาเพาะขยายพันธุ์ แล้วก็เมื่มันโตขึ้นพอที่จะหากินได้ก็ปล่อยให้มันออกจากคลอกให้มันหากินเองตอนต้นก็เลี้ยงเลี้ยงไปก่อนมีเยอะไหมท่านอาจารย์ก็มีสี่ห้าสิบตัวห้าสิบตัวอ๋อคือเวลาเดินลงไปเราจะเห็นอยู่ตรงหนองน้ำวนี้ส่นใหญ่ชอบออกมาตอนเย็นมากกว่าตอนเย็นตอนคืนตอนกลางวันจะไม่ค่อยออกมาเท่าไหร่พวกเก้งกวางพวงเนื้อสไลพวกละมั่งคํามีหลาย แดูก็คล้ายๆกันเนี่ยเขาก็มีที่หากินไหคะก็พออาหารก็พอมีพอกินอยู่แล้วก็มีอีกพวกหนึ่งเป็นพวกหนีพวกหนีนี่ได้มาจากร้านอาหารที่เขาตารวจไปจับมาแล้วเขอยู่ในนี้เหรอคะเขาเขามี้ออยู่ข้างล่างแล้วเมีคอหนี้ก็ใหญ่ประมาณสักเนี่ยเกือบช่องอย่างเนี้ย ที่ห<ต>เรานั่งอยู่เนี่แออยแล้วเขาก็ทําทำํำคล้ายๆเหมือนกับเป็นเป็นรันน้วไฟฟ้ารอบทักท่าไล่ให้เขาออกมาออกมาเที่ยววิ่งเล่นได้แต่ก็จะมีเป็นบ้านบ้านเป็นเหมือกุฏิแต่เรหลังให้เขาอยู่แต่เขาสามารถที่จะออกจากกุฏิเขาออกมาวิ่งได้ไอ้รั้วไฟฟ้านี่เป็นเป็นหน่วยงานของพวกพิทักษ์หรืออนุรักษ์สัยตาขอ ง, ของฝลั่งก็ เขามาบอยจะทำให้เป็นนั้วไฟฟ้าไ ฟ, ไฟฟ้าแรงสูงถ้ามันไปแตะรั้วมันไฟจะช็อตนีไปจะปีนข้ามไม่ได้ถ้าถ้าถ้าปลายนี้จะอยู่ข้างล่างทางเข้ามาเนี่ยจะไปอยู่แถวทางนั้นแต่เดี๋ยวนี้เขาไม่ได้เปิดให้คนเข้าไปเที่ยวดี จะมีอยู่สักประมาณสักษามสี่สตัวมันจะเป็นพวกไม่ใช่น้อยนะเป็น่วงหนีควายตัวเท่าคนเยต้องไม่บอกสุเมตรต้องไม่บอกสอเมรกันเดี๋ยวเขาไม่มาเลยกตัวอันนี้เขาต้อหาที่อยู่ของเขาเองไม่ต้องเลี้ยงเขาต้องเลี้ยงเขาต้องหุงข้าวให้เขากินต้อ้เขาจะกัดขบเขตเนี่ยเาอยู่บริเวณที่มีไฟฟ้าศาสตร์พวกนี้นอน โอนแค่วาโดก็จับมาจะกข้าจะจะกินจะกินดิงีอะไรดีเขา้าอะไรอะไรตอนเนี้ยอุ้มตีนอะไรเงี้ยพอตำรวจไปจับมาได้เขาก็ส่งมาให้ฝ่าไม้ฝ่าไม้าก็เลยต้องเอามาเอามาเอามาเลี้ยงดูแสดงว่ามีคนดูแลเรื่องอาหารให้กินให้เขาด้วยก็อพอมีเพราะมันเป็นลบของหลวงเนี่ยเป็นล็ของป่าไม้เขาก็เอาข้าวที่เขาเอามาเลี้ยงเลี้ยงหมาเนี่ยอาหารแค่เขาเามาต้ม ที่มันเป็นถุงถ<ช>ุงเนี้เป็นเม็ดนี้แล้วเข้ามาต้อมผสมกับข้าวข้าวสารอไรเนี่ <สะ S 1> <ล>ยแล้วก็เลี้ยงแล้วก็มีกล้วยมีอะไรบ้างมีผลไม้อะไรเขาก็เลี้ยงไปตามตามห <c oughs> ลักธรรเห็นใกล้ๆแถวนี้มีที่มีฟาร์มเพาะที่เป็นเพาะพวกไก่ป่าไก่ฟ้าก <c oughs> ็เนี่ยใช่ไหมที่เดียวกันใช่ไหมเดียวกันเนี่ยมีโครงการเป็นการตัดป่าที่เปนเป็นเป็นหน่วยงานของกรมป่าไม้คซึ่ง กิดจากการการบันลึกของสมนด็จพระนางเจ้า mm hmm. ที่นี่ก็เลยมีสองหน่วยงานหน่วยหนึ่ทางทํางานเกี่ยวกัารขยายพันธุ์สัตว์ป่าและหน่วยงานพิทักษ์สถานที่มาดูแลเขี่อนท่ามล่าสัตว์ป่านี้อก็ mm hmm. มีสองหน่วยงานด้วยกันมีู่ตรงป้องยาวที่ขึ้นมาตรงไหนคะเอออยู่บริเวณนั้นอยู่ปลายทางนี้ mm ่ย hmm. เรามองมเห็น ใช่มันถ้าสมมติเราเข้ามามันพอพอพอผ่านประตูมาป้ามันจะมีมีทางเลี้ยวซ้ายลงไปทางเลี้ยวเลี้ยวเข้าไปถามยามดูก็ได้ว่าที่กงหนีอยู่ตรงไหนทางเขาว่าไปดูได้ไหมนะถ้าเขาบอกไปดูได้ก็ก็ลองไปดูดูแก่อนที่ที่หนาวมากวันที่เด็ดเด็ดหนาว มัไมีอยู่วันหนึ่งโอ้โหรู้สกลมกรแรงด้วยลมแรงลมก็แรงหน้วก็หนาวแต่ผมวันนี้ก็มาะแต่ก็สู้อุดรไม่ได้หอกมอยู่อดรหนาเยอะที่นี่สบายมากอาการอุดรนี่เคยจาได้เคยลงถึงหกองศาอยู่ตอนเช้าเดินบินตาบดเดินเดินเหยียบก้อนกวดมันเหยียบก้อนนั้งแข็งเดินไปบินตาบดสมัยน้นรถถนนยังไม่ได้ลาดยาง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 ฉันครับจะขอพรย่าท้าวะรุปะหาภูราปุรุเพรินติสักครั้งเอวันิวะอิโตจินางเตตานังอุปตปฏิอิจิตังปฏิจังตึงหังคิตาเวะสชตุสุเรนตุสังป จันโทกัญญาระโสยธามนิจโตติระโสยธาสัพติโยวิวัชันตุสัพพะโรโควินาศตุมาเตภวะตะวันตาโยสุขีติภัยโกะวะ อาพิวาทะัสีลิสะมิจังวิทาปจายโนจตารโอธรรมาวาตันติอายวันโอสุขังภะละจันะครู เราไปฟังบาดใจเปิดฐาให้ผููงมันอยงมินเดี๋ยวเราหลงมัก็จะผที่มันเขึ้นในใจเราหลอกใจได้ไมต้องอะไรเลยผิวเลยไ้าจเยแลมนเป็นรู้ว่าเป็นผมขาวมายางี้เยก็ไม่เข้าใจเอ๊ะ ก็พิจารณาดูถ้ามันไม่ไม่ได้อะไรก็ปล่อยไปเดี๋ยวถึงวัามันจะรู้มันจะรู้มัจะเข้าใจัเข้าใจถ้ายังไม่เข้าใจก็อยากปตาความหมายมันเองหรือว่าการิิดผูกผกไปแล้วมันจะทำให้มาเสียหละกทำให้เราเหนื่อ ถ้าไม่รู้ไม่เข้าใจก็ฝ่ายไปก่อนไปก่อนเพื่อควาใจแล้วก็ดำเนินชีวิตของเราตามปกติเวลาไปดำเนินชีวิตนโรงงานก็ดเนินไปมีอะไรไม่ยอไม่ม่ยอมแคจะกับเรียนเรื่องคุามนงสือมาถ่ายทอนอาจารย์าลูกสาวหาลูกสาวใช่ไก็สมัยก่อนก็เป็นเด็กที่ดื้อมากเลยกค ตอนนี้ก็มาปฏิบัติธรรมก็ก้าวหน้าไปพอสมควรใช่พอเรามันมันไม่แน่อะบางทีเคยทาบุญไว้ก่อนแต่ยังไม่มีโอกาสบุญยังไม่มีโอกาสที่จะแสดงตัวเองพอเราส่วนใญ่เวลาเป็นเด็กไปกินเนี่ยนั่นแหะก็ความทุกข์ความนอนเพราะตอนนั้นยังไม่เคยเจอกับความทุกข์สมัยเราเริ่มไปเจอความทุกข์แล้วมันก็จะเริ่ม หาที่เรื่อเองถ้ามีบุญมันก็จะออกมาเพื่อให้ถ้าเคยทำดีไว้มันก็จะมาหาเราเราอย่าเป็นนักลงมาใจเพราะเนยที่เขาเป็นเพลงจากเคพื่อนร่วมเก่าเก่เกิดานั่นเอแล้วเราก็ต้องแยกทางกันนะไม่ได้อยู่กันไปตลอดเอามีลูกมีเต้ามีพ่อมีแ ม, ม่ว่าแล้มีกี่กี่ล้านคนลนะ <c oughs> นี่ก็เป็นคดเป็นละคร อ, อีกเรื่องนึงอ่ะแต่เราไปเล่นละครเรื่องนี้ก็ได้คนนี้มาเป็นลูกเรา เดีย๋ยวจบละครเรื่องนี้เราก็ไปเล่นละครเรื่องใหม่ก็ได้คนอื่มาเป็นลูกเป็นพ่อเป็นแม่เราก็เล่นอย่างนี้มาอยู่ตลอดเวลาแล้วอย่าไปอย่ามา่หนักปมหนักใจจะเกิดความทุกข์ขึ้นเลยด้วจากการภาวนาของเขาเองนะคะที่เขามาเล่าให้แม่ฟังบางครั้งเนี่ยเขาบอกว่าเห็นตัวเองเป็นท่อนไม้แล้วก็มีความรู้สึกว่ามันเบามากไม่ต้องแบกอะไรไว้เลยแล้วก็มีสุข แล้วก็บางครั้งเที่ยวหลังสุดเนี่ยเขาบอกว่าเขาบอกว่าตัวเขาเนี่ยมันเหมือนเป็นพญานาคตัวมันก็จะพองเบาไม่ทราบว่าก็ต้องทํายัางไงต่อก็ให้เขารู้ว่าเป็นเพียงแต่ความรู้สึกยอย่าไปดูกัมันหรือว่าให้พิจารณ์หรือว่ามันเกิดมาแล้วมันก็ผ่านไปแล้วอย่าไปยึดไปติดอย่ามาปรุ ง, งว่ามันเราเป็นอย่างนั้นเก็ดมีตามที่เราเห็นไล้กันเราเป็นอะไรในปัจจุบันก็ให้รู้ตามปัจจุบัน ดปัจุบันกระับว่าเรากำลังโลกำลังโกคธกำลังหลงหรือเป่าอันนี้สำคัญกว่าอย่าไปคิดถึงอดีที่มันอ่านมาแล้วว่ามันมีทาให้เราหลงนะอย่าไปกังวลถึงเรื่อวันอาทตย์ียังไม่้นปัจจุบันให้มันนิ่งให้มันสงบให้มันไม่ปงถึงระดัดีที่สุดมันไม่มีปัญหาถ้าปงแลวมันก็เพิงสร้า ตอนนี้มาต้กินหลายตันแลสี่ขันสีเพิ่มเป็นสี่แล้วจะแขเนเพิ่มทีละขันคุวันนี้หลวงชาท่านก็มาที่นี่มาสองที่ที่ใกล้ๆกับเขาเรียกหลวงโบห่างจากขรุจเทลมาถึงพัทธิยาประมาณก็ตัยี่สิกิลสิบกว่ากิโ เป็นวัดของเนี่ยศเี่ของนักศึกาอาจ sure. อารย์าอาจารย์หวันท่านไปสร้างไว้แล้วเข้ามาขอสร้างกถานีที่ตอนกเาจะมาสร้างวนนี้แล้วทีนี้หัวขอางวนนี้มันลาบากของป่าไม้ของต้องขออนุญาตหลายฝ่ายหลายตัวเขาก็เลยไปไปไปสร้างที่วัดด้วย้ก็มานิมนต์ให้ไปเขาบอก่งานมานิมนต์ให้ไปเขางได้รัอนุญาติจารณ้วก็ได เดี๋ยวเนี้หงตาก็ไปอีกที่น่เล็กที่พัทยาที่เอลาวันรีสอร์ทเองไม่ทราบจะค้างที่นี่รอเพเคยมาค้างที่นี่คงจะสายเช้าพรุ่งนีรับรับตาป่าเนยก่อนที่ท่านกลับแต่มาก็ไม่คอยเจอท่านเลยแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้คิดว่าห่าท่านเยเราก็สามคนสามหน้าคือเรา แต่คนไม่เข้าใจก็อาจจะว่าอะไรครูบาอาจารย์มาใกล้ขนาดนี้ไม่ไปกราบไม่ไปเยี่ยมไปอะไรพอเราอยู่ในวัดแท่านเราก็เป็นแบบนี้เราก็ไม่ค่อยไปกราบไปเยี่ยมกินเราอยู่ของเราจะเจอท่านก็ตอนทํากิ่ร่วมกันซึ่นตอนก้าไปสองลิงดาบหรือเวลาอะไรเพราะเราไม่มีกิ่นร่วมกันก็ไม่ได้ไม่ได้ไปทำอะไมันอาจจะเป็นนิสัยของเราคนอาจจะไม่เข้าใจ ดีคร uh ับ huh.